ในครั้งนี้ก็จะศึกษาคำสอนในพระไตรปิฎกก็ได้ดูในคำพีมัชฌิมานิกายมูลพันนานไปดูคำสอนของพุทธเจ้าโดยเฉพาะในสัพพาสวัสังวรสูตร สภาสวะสังวรสูตรนี่เป็นสูตรที่กล่าวในเรื่องของการละอาสวะนี่นะทีนี้ในพระสูตรเนี่ยโดยใจความโดยประเด็นโดยความหมายต่างๆเหล่านี้คือท่านสอนเกี่ยวในเรื่องของอาสวะที่พึงละได้้วยการโดยทัศนเป็นต้นเนี่ย ด้วยการเห็นเป็นต้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะศึกษากันพระพุทธเจ้าตรัสวิธีการละอาสวะไว้เจ็ดวิธีในเจดวิธีนั้นก็คืออาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง ด, รรด้วยการสํารวมด้วยการซ่องเสพด้วยการอดทนอดกั้นด้วยการเว้นด้วยการบรรเทาและก็ด้วยการเจริญ และการละอาสวะแต่ละวิธีสําเร็จได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการในการพิจารณาโดยแยกขายเป็นปุปภาฆะธรรมก็คือเป็นธรรมที่เป็นเบื้องต้นฉะนั้นในพระสูตรเนี่ยโดยเฉพาะในมูลปริยยสูตรก็กล่าวถึงปะโตโคสะและก็สัพพาสวัสูตรซึ่งกล่าวถึงโยนิโสมนสิการจึงเป็นพระสูตรหลัก ในส่วนปุปภะาคาธรรมคือธรรมที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะแต่ตรงนี้จะหยิบยกหลายๆสูตรมากล่าวแล้วก็จะมาให้เราทั้งหลายได้มาพิจรารณาคือในมหาเวทละสูตรโดยสรุปใจความตรงนี้นก็คือว่าท่านภาษาริบุตรเนี่ยท่านกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาทิฏิ คือปัจจัยที่เป็น ป, ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญานะท่านบอกว่ามันมีอยู่สงลักษณะลักษณะแรกก็เรียกว่าปารโตโคสะปารโตโคสะเนี่ยก็แปลว่าเสียงของผู้อื่นหรือเสียงจากสิ่งอื่นการประกาศของคนอื่นคือการได้สดับได้พบพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำ ของพาริยะได้พบสัตว์บุรุษฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษได้รับการแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษทีนี้ก็ต้องไปดูลักษณะก็บอกว่าลักษณะของภาริยะและสัตว์บุรุษ น, นี่ยหรือที่เรียกว่าเป็นปราโตโคสะหรือเป็นกาลยานามิตรอันเลิศเดี๋ยวท่านกล่าวว่ายังไงในคัมภีมาชิมนิกายเนี่ย พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณลักษณะของพระอริยะและสัตบุรุษรวมถึงลักษณะของคนพานและบัณฑิตไว้ในหลายสูตรโดยเฉพาะในจูฬปุณณะมสูตรในอุปริปัณธาดน้นะพระพุทธเจ้าตรัสถึงความแตกต่างกันระหว่างสัตบุรุษกับอาสัตบุรุษเขว่า บ, บ, บอกว่าสัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษคือมีศรัทธาความเชื่อและเลื่อมใส เชื่อและเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงเชื่อในกรรมและก็ผลของกรรมแล้วท่านก็สรุปว่ามีฮีรีมีความระอายต่อบาปอดปากความเกรงครัวต่อบาปมีสุตตะมากคือการฟังการศึกษามามากมีความเพียรมีสติตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาฉันนั้นท่านก็ตรัสลักษณะของคุณของสัตว์บุรุษเข้าไว้ทีนี้สัตวบูรุษนั้นน่ย น, นะผู้พักดีต่อสัตว์บูรุษคือ มีบุคคลผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตระปะมีสุตตามากมีความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสหายลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์บรุษผู้พักดีต่อสัตว์บรุษคือตนเองก็เป็นบุคคลที่มีศรัทธามีหิริมีโอตระปะมีสุตตามีความเพียรมีสติแล้วก็มีปัญญาอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็ยังไปไปักใปไปคบหาบุคคลผู้มีศรัทธามีเฮริมีโอตระปามีสุตตะมีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสาหายอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตบุรุษผู้พักดีต่อสัตบุรุษเออคำว่าสัตบุรุษเนี่ยไม่ใช่เป็นได้เฉพาะผู้ชายนีเราไปยินคําว่าบุรุษบุรุษใช่ไหมทั้งหญิงและชายถ้ามีคุณธรรมเจตประการจัดว่เป็นสัตบุรุษได้ ประการต่อมาก็คือสัตว์บรุษผู้มีความคิดอย่างสัตว์บุรุษเออนอกจากจะเป็นสัตว์บุรุษแล้วเนี่ยนะบุคคลผู้มีสัพพุริสธรรมคือมีศรัทธาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะที่เรียกประกอบด้วยธรรมของสัตว์บุรุษเนี่ยสัตว์บรุษเนี่ยคนที่เป็นสัตว์บรุษต้องเป็นผู้มีศรัทธาในพระธรรตไตรแล้วก็ตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องมีความเชื่อในเรื่องกรรมเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ย พักดีต่อสัตว์บรุษก็คือคบหาบุคคลผู้มีคุณธร ร, รมคล้ายกันประการต่อมาก็คือว่าสัตว์บุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตว์บุรุษก็คือไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายสัตว์บรุษก็คิดแบบนี้นไงไอคิดเบียดเบียนตนเองเนี่ยคิดยังไงคิดเบียดเบียนตนเองคิดยังไงคิดแล้วทําให้ตนเองประสบทุกข์ใช่ไหม ทำให้เองให้ทำให้ตนเองนั้นต้องเข้าถึงอาบายทุคติวินิบาตนรกเบียดเบียนคนอื่นก็คือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนอื่นเข้าถึงอาบายทุคติวินิบาตนาลกเป็นต้นบางคนก็ทั้งเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นนั้นสัตบุตรไม่คิดแบบนี้นิพการที่นี่เขาเรียกว่าสัตว์บุตรนั้นเน่ยเขามีความคิดอย่างสัตว์บุรุษประการต่อมาคือสัตว์บุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตว์บุรุษก็คือว่า รู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนเองรู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้เพื่อไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายที่จริงถ้าเรารู้แค่จุดใหญ่ๆสามหลักเนี้ยก็แปลว่ามีความรู้อย่างสัตว์บุรุษเนไหมที่จริงดนความหมายเนี่ยกว้าง ม, มากอย่างยกตัวอย่างเช่นไม่เบียดเบียนตนเองเนี่ยโอ้โหเป็นการเจริญกุศลกรรมรบทสิบทั้งมทอะ แล้วก็ยังมีศรัท ธ, ธาหิริโอตปาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่การเจริญงอกงามในพฤติธรรมวินัยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การสิ้นทุกข์ในอนาคตด้วยและผู้อื่นน้แล้วก็ทั้งต้นเนะผู้อื่นเป็นต้นสัตว์บรุษผู้มีถ้อยคําอย่างสัตว์บุรุษบุรุษเขาพูสัตว์บรุษเขาพูดกันยังไงหนึ่งงดเว้นจากการพูดเช่น สองงดเว้นจากการพูดส่อเสียดสามก็งดเว้นจากการพูดคำหยาบสี่ก็งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อสรุปแล้วเนี่ยคนที่เป็นสัตว์ปรุษเนี่ยวาจาเขางดงามมากทีนี้วาจาที่งดงามที่เปล่งออกมาเนี่ยนะมาจากจิตดีมาจากกุศ ล, ลจิตมาจากจิตที่ไม่คิดที่จะพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเป็นต้นอันนี้เขาเรียกถ้อยคำของสัตว์ปรุษ ประการต่อมาคือสัตว์บุรุษผู้มีการงานอย่างสัตว์บุรุษการงานของเขาก็คืองดเว้นจากการปฏิบาตงดเว้นจากอธินาทานแล้วก็งดเว้นจากกามเมสุมิชาญาณเป็นการงานของท่านและสัตว์บุรุษผู้มีความเห็นอย่างสัตว์บุรุษถรมวสัตว์บุรุษเขามีความเห็นอย่างไรเขาเห็นบอกาทานที่ให้แล้วมีผลการให้ทานเนี่ยนะเขารู้เลยว่ามันมีผล ไม่ใช่ไม่มีคำว่ารู้ในที่นั้นคือเขาเข้าใจด้วยนะว่าเขาจะให้ทานอย่างไรเจตนาในก่อนในก่อนให้ขณะให้หลังให้นะแล้วให้โดยการนอบน้อมให้โดยมือของตนเองเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจมากยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่โลกนี้ก็มีคําว่าโลกนี้มีแปลว่าอะไร แปลว่าสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้มีเขาเรียกว่โลกนี้มีนะ ไ, ไม่ใช่เขาไม่มีได้ไงตาเราก็เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคนบางคนถ้าไม่ใช่สัตว์บุรุษเนี่ยเขาก็จะเห็นธรรมดาไงอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นเห็นสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เนะี่ยแปลว่าเขามาอยาู่ที่ก็แปลว่าโลกนี้มีไม่ใช่ไม่ไ ม, มีเพราะเห็นมีเกิดอยู่มีตายอยู่ใช่ไหมโลกนี้จึงมีโลกหน้าล่ะ โรคอื่นอะมีไหมมีโรคอื่นก็แปลว่าไม่ใช่มีเฉพาะในมนุษย์สโลกใบเดียวเตอนนี้ไม่ใช่ยังมีพวกเปลือกสุ ร, รากายสัตว์เดรัจฉานสัตว์น ร, รกยังมีเทวดามีพรหมอีกหลายๆชั้นสระบลละก็คือสามสิบเอ็ดพมนี่ยมีโรคอื่นอะมีแม่ก็มีเขาเห็นแบบเนี้ยมารดามี เ, าเราเชื่อไหม้มารดามีความเห็นแบบเนี้ยเออแม่ก็มีใช่ไหมไม่ได้เห็นแค่เนี้ยเขาเน้นถึงคุณของท่านเนี่ย คุณของท่านน่ะมีคุณที่ท่านประพฤติปฏิบัติต้มีมีตบุตรทิดาเนี่ยบิดามีก็หมายถึงคุณเหมือนกันสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีแปลว่าอหละมีความรู้มีความเข้าใจว่าออสัตว์ที่ตายแล้วอุบัติเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องอาศัยครันมันดาเนี่ยมีเนะ อ้เ น, นี้กลุ่มที่จะมีความเข้าใจอย่างนี้ต้องสัตว์ บ, บุรุษถึงจะเข้าใจแล้วไม่ใช่เป็นความเชื่อแบบงมงายด้ยนะเชื่อเพราะจากการศึกษาจากการฟังพระธรรมคำสอนของพทธเจ้าและพิจารณาแล้วเห็นจริงเห็นเองด้วยสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบประกาศโลกนี้โลกอื่นให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่ ฉะนัมนสัมมาสัมพุาภณ์ทั้งหลายผู้ดําเนินโดยชอบปฏิบัติชอบก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตัดสรู้ได้โดยตนเองมีนะพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้ดตนเองมีนะย่าเป็นต้นเราเนี่ยนะฉะนั้นสัตว์บุรุษเนี่ยเขามีความเห็นอย่างสัตวบุรุษเนี่ยสัตวบุรุษเขาเห็นแบบเนี้ย ทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสรวงแล้วมีผลผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดาก็มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบประกาศโลกนี้โลกอื่นให้แจ่มแจ้งเพราะตักรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้มีอยู่ไม่ใชไม่มีเนี่น่ยเขาเห็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์บวชเขาเป็นเขามีสัมมาทิฏฐิเขามีลักษณะความเห็นแบบนี้ ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสัตว์บุรุษผู้ให้ทานอย่างสัตว์บุรุษก็ต้องไปดูนะสัตว์บรุษนี่นะคนดีทั้งหลายในเวลาเขาให้ทานเขาให้ยังไงคือให้ทานโดยความเคารพคือทําความอ่อนน้อมในการให้ทานเออสัตว์บรุษทั้งหลายเวลาให้ทานเนี่ยเขาให้ <S <S ให้โดยความเคารพเคารพในไทยเคารพในทานออการให้โดยความเคารพเนี่ยมันมีอะไรส่งยังไงรู้ไหม อันยนิ่งขอการให้โดยความเคารพแล้วก็ให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีความเห็นว่าผลของทานมีเป็นต้นเนี่ยเน้นประการแรกก็คือให้ทานโดยความเคารพให้ทานอย่างบริสุทธิ์ทานนั้นก็ได้มาอย่างบริสุทธิ์ให้ด้วยมืองตนเองเป็นต้นแล้วก็เห็นว่าทานที่ให้มีผลเกี่ยวไหมทุกวันเนี่ยบางคนที่ให้ทานเนี่ยเขาไม่คิดอะไรมากเพราะว่างงั้นเนะี่ยเขาคิดว่า เออเขาให้แล้วเขาสบายใจเขาก็ให้บางคนคิดแค่นี้อย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าไม่รอบไม่รอบให้แบบไม่ได้ไตร่ตรองบางคนก็บอกว่าเออให้เพราะเป็นญาติให้เพราะเป็นพี่เป็นน้องให้เพราท่านคนนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยแล้วก็สักแต่ว่าให้ไปอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทานของสัตว์บุรุถ้าทานของทานของสัตวบุดุเนี่ยก็ให้ด้วยความกระโร ทีนี้ให้ความอ่อนน้อมให้โดยความเคารพให้ของวัตถุให้ด้วยมือของตนเองเป็นต้นเนี่ยผลที่มันได้มันมันมันเลิศยกตัวอย่างเช่นว่าคนบางคนที่เกิดมาในปัจจุบันนะพบเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจน้อมที่จับได้ของอย่างดีเออเสือ้อได้เสื้อผ้าก็ได้ดีๆได้ของใช้ต่างๆก็ได้ดีๆอาหารก็ได้ของดีสรุปก็คือว่าหนึ่งที่อยู่อาศัยก็ได้อย่างดีเครื่องนุ่งห่มก็ได้อย่างดีอาหารก็ได้อย่างดี และเศสั์กาศคือยาเป็นต้นก็ได้ยาดีๆไม่ได้ได้ยาโมาราโยนี่เนะี่ยทีนี้อันนี้เป็นผลของการให้โดยความเคารพเนี่ยแต่ถ้ากลุ่มที่ให้โดยไม่ว่าไม่เคารพเนี่ยได้ของดีก็ไม่อยากใช้คือใช้แล้วมันมันทุกใจอะ่ะนียพอได้มาพวก็พอสบแล้วก็คือ เอาเขยังได้จีวรดีๆมาก็ไม่พอใจเขเก็บไว้หมกหมกเอเพราะพอมันเก่าเกินเก็บแล้วนี้หาจะมาใช้ไปหยิบหลุดมาแล้วจะเป็นลักษณะงนี้อันนี้คือผลการให้ทานโดยโดยไม่เคารพถ้าแล้วแปลกอย่อยางถ้าใช้ของดีขึ้นมาแล้วมันมันก็ไม่สบายใจพอใช้ของดีแล้วมไม่สบายใจมัน คือตรงนี้มันเป็นผลของการให้แน่ดีมันก็ทำให้จิตใจที่ไม่น้อมที่จะใช้ของดีๆคือทั้งๆที่มีศักยภาพเนี่ยได้เยอะๆจ ะ, ะใช้อะไรดีๆก็ไดแ้แต่ไม่ใช้พปรอย่างนี้ทีไรก็นึกนินทาคนที่บ้านแกแกมีเงินทองเยอะแต่มีเงินทองเยอะหมดนี่นะแต่ก็ใช้จักรยานเก่าๆ เ, เสื้อผ้าก็เก่าๆ ทำตัวกับลุ้งกระลิ่งงั้นเนี่ยแล้วกินอาหารก็กินเสษเด่นๆไงตายไปแล้วตายไปแล้วแบ่งสมบัติไม่ใช่ของแกจริงๆดูแล้วเป็นของลูกหลานหมดลูกหลานนู้แย่งกันกลัดมีนาเยอะไปหมดแล้วก็มีสมัยก่อนเขาเรียกว่าปั่นใช่ไหมตู้เซฟเราเนี่ยจะใส่เงินใส่ทองไงไว้เต็มหมดแล้ว กลัวขโมยกลัวใครย้อนแล้วก็ทำตัวพอซองนั้นไปนักแต่ก่อนเราก็นึกดันไปนึกช่นชมเนะนี่ยว่าคนคนนี้ดีนาะรวยแล้วไม่ค่อยสแสดงขานะแต่ว่ามาศึกษาครับสอแล้วไปคนละเรื่องเลยยักกินยกกินอย่างอย่างทรมานอย่างกินกินอย่างลําบากเห็นไหมว่าพ่อไม่ได้ให้ทานแบบสัตว์บุรุษที่เขาให้ที่มันเป็นผลของการให้โดยไม่เคารพก็ แล้วไอ้สูตรเนี้ยแกก็สอนลูกสอนหลานเข้ามาไป <c oughs> ตรงนี้นี่มันจะหายตรงเนี้ยไปสอนบอกว่าต้องรู้ไอ้เขาบอกว่าต้องรู้จักประหยัดไอ้ที่ยิ่งประหยัดมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่กินถ้าจนโอ้โหปวดเครื่องจนทั้งทั้ ท, ที่พอที่จะทําให้สุขภาพอยู่ได้โดยมีความสุขก <c oughs> ินจนลูกหลานพอมกันอ <c oughs> นี้ก็ดูดูเกินกว่าเหตุ <c oughs> <c oughs> แล้วก็โอ้แป นี่อันนี้อันนี้ก็ไม่ดีส่วนลักษณะของอาศัตบุรุษนั้นก็ตรงกันข้ามนะเช่นไม่มีศรัทธาเป็นต้นนี่ยลักษณของอาศัตบุรุษเนี่ยไม่มีศรัทธาในพระธรรมตรายตามความเป็นจริงไม่เชื่อในกรรมผลของกรรมไม่มีเฮริไม่มีโอตปะไม่มีสุตตะคือไม่ชอบฟังไม่ชอบศึกษามีความเพียนเลวแล้วก็ มีสติไม่ตั้งมั่นแล้วก็ปัญญากระสามลักษณะของอาศัตบุรุษก็เป็นแบบนี้ตรงกันข้ามเลยแล้ว ก, วก็อีกอย่างนึ่งคือความคิดของอาัตรุษก็คือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นอย่างเงี้ยความรู้ของอาศัตบุรุษหรือคนพานทั้งหลายก็รู้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองรู้ที่จะเบียดเบียนผู้อื่นรู้เพื่อจะเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นนคนที่เป็นอาศัตบุรุษเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะในการเบียดเบียนตนเองเนี่ยก็เก่งเช่นทำกรรมช่วยทั้งหลายเนีย เขาก็มีวิธีการพลิกแพงในการที่จะทำนั่นเบียดเบียนตนเดงเวลาเบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเขาเก่งอย่เงี้ยเป็นต้นนั่นนะเวลาให้ทานเขาก็ให้ให้โดยไม่เคารพหรอกไม่อ่อนน้อมแล้วทานก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เป็นต้นอันนั้นก็ตรงกันข้ามทีนี้ในสัพปริสสูตรในอุปริปันธาเนี่ยนะในมชิมนิกายเหมือนกันในในปันธา มีมูลปัญนาตมาชิมปัญญาตอุปริปัณญาตี่เป็นปัญญาที่สามหมดที่3พระพุทธเจ้าตรัสถึงความแตกต่างของสัตว์บุรุษและอาสัตว์บุรุษว่าอาสัตวบุรุษเป็นผู้ยกตนของผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นผู้มีตระกูลสูงมีโพค้ามมากมีชื่อเสียงมีลาบสกาละเป็นวหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นผู้ถือการเที่ยวบินบาบเป็นวัด เป็นผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดเป็นผู้ถือการฉันอาสนะเดียวเป็นวัดเป็นผู้ได้ฌานสมาบัติแปดต้องเคเกล ด, ดูวนะว่าในทัศนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนีใช้คำทพระพุทธเจ้าท่านเห็นอาสาบุรุษเนี่ยหนึ่งยกตนข่มผู้อื่นประการต่อมาก็คือว่า เป็นผู้มีตระกูลสูงก็ยกตนข่มผู้อื่นในฐานะตระกูลสูงทั้งๆ ท, ที่คนคนนั้นตระกูลสูงจริงๆเนี่ยนะแต่ถ้ายกตนข่มคนอื่นปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สัตว์บุรุษแล้วหรือมีโภคะมากร่ํารวยมากก็ก็ยิงอย่างเงี้ยนะมีชื่อเสียงมากมีลาบมากหรือศึกษามากพอศึกษามากก็พองตอนเองเนี่ยนะฟังมากศึกษามากอันนี้เป็นอสัตว์บุรุษหนักไปกว่านั้นก็คือเป็นผู้ทรงวินยัย เมื่อรู้ระเบียบแบบแผนถ้าเป็นกลุ่มคารวะก็คือว่ารู้มัญญญาของสังคมดีประเภทศึกษาจรรญามัญญาของสังคมการเข้าหมู่คณะการกินอาหารเป็นต้นเหล่านี้ก็จะมีสูตรนะใช่ไหมสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของการมัญญาในการเข้าสังคมต่างๆในการจับช้อนในการเคี่ยวอาหารในการกินอาหารนี่ก็จะรู้และกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะดูถูกคนอื่น จะดูตัวคนอื่นเช่นถ้าไปแถวอินเดียแล้วโ อ, อับไม่คยได้บางคนยังไม่กล้าไปอินเดียจนทุกวันเถามลำไมเราจะเวลาก็พูดก็จะเป็นผู้ดีหน่อยก็ศึกษามาเ น, น่นๆหน่อยกระทนกบอกแกรับไม่เคยได้เห็นการใช้ห้องน้ำก็ดีการกินอาหารก็ดีแล้วมันยากในสังคมก็ดีต่างๆคือแทนที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะไปติดขัดกับเรื่องเหล่านี้ ใจิตใจก็ติดขัดเรื่องเหล่านี้หมดฉันก็หลายๆคนก็ถามว่าคือเราไปที่นั่นเนี่ยเราต้องยอมรับวัฒนธรรมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมนั้นถ้าหากไม่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับวัฒนธรรมหรือความแตกต่างเนี่ยจริงๆแล้วในเราไม่ต้องไปดูกไกลแม้แต่ในบ้านเราเยอะไหมไจุดแตกต่างมันก็เยอะไปหมดเช่นสัร德拉ฉานเขก็มีข้อปฏิบัติมันอีกอย่างเปรตอสุรกายสัร德拉ฉานสันนล ถามว่าถ้าทำบาปแล้วตัวนี้ไม่ตกนรกมึงไปยอมรับวัฒนธรรมของการนรกได้ไหมแตนรกต้องวิ่งนไง ม, มันต้องร้องมันต้องทแฉกปากตะโกนเนี่ยมันจะไปมีกอกอ น, น้องถ่อมตนไม่ได้แล้วนั่นไอ้ที่เราบวมมาฝึกกันในปัจจุบันนะพบบางทีมันไม่ได้มาเรียนรู้เ บ, บ็ดเสร็จเนะี่ยมันตามไปด้วยความยึดถือการเรียนรู้แล้วไปการยึดถือ และอัตตาก็จะเข้าฝังแน่นในในวิชาการในความรู้ต่างๆที่เรารู้มาเช่นคนรู้กฎหมายก็เทียงเงินคอเป็นเอ็เย็นทุกวันเนี่ยเรีนไปยังการเรียนรู้แบบเอาอัตตาเข้าไปจับเนี่ยมันมีปัญหาเยอะวันก่อนก็มีคนเพงเป็นอาจารย์สอนเป็นอาจารย์บรรยายเนี่ย เ, ยเพื่อโทโทมาคุยแต่บบรรยายธรรมะเนี่ยนะ แต่หลังจากบรรยายธรรมะเสร็ก็ไปสนามหลวงก็ไปฟังก็พฟังไปเนี่ยไ อ, อ้อตางก็เกิดก็บอกโอโฟังก็ใช้คำเมือนฟังแล้วมันนี่ยังอาจารย์ก็เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าโอ้หน่าคือวิธีคิดที่ที่ยอมรับความแตกต่างกันไม่ได้แล้วก็ ตามฝ่ายทางก็ไม่ไม่เรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันยังไงให้มีความสุขปัจจุบันเนี่ยต่อไปในในลักษณะพี่บอกว่าการรู้บางส่วนแล้วยึดมั่นในความรู้ของตอนเองความเข้าใจของตอนเองเวลามาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยทะเลาะกันใช่ไหมลองไปลองไปถือกันคนละหางดสมมุติเนี่ยพูดว่ามีหางกันแล้วกันแล้วไปถือคนละหางคุยเรื่องนี้กันไม่ได้ด ถ้าคุยกันมาปุ๊บเนี่ยคืออัตตามันมากอัตตาเนี่ยมันความเป็นตัวเป็นตนมันเยอะพอมเยอะเบ็ดเสร็จก็คือว่าเลยบังแห่งเลยตั้งกติกาวไว้บอกห้ามคุยเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นคุยกันได้มีมีอย่างจริงจริงนะสามีภรรยาเนี่่คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ก็ก็ที่ต่างต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ต่างประเทศก็เลยเลยแก้ปัญหาโดยการว่าอย่าอย่อยาคุยกัน ที่จริงหลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาเจาะลึกเข้าไปเด็ดหรือถึงคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะจะสอนให้รู้ว่าเออในสมัยค้าพุทธกาล่มพวกพราหมณ์เนี่ยก็มีความเห็นอย่างไรพวกฮินดูเนี่ยหรือพวกอาพวกอเจรกางเนี่ยพวกชีเปือยอย่างนี้ หรือว่าพวกที่ปฏิบัติมือก้าละทีทั้งหลายเยอะแยะหมดบูชาไฟก็มีบูชาผอาทิศก็มีบูชาป่าไม้ภูเขาเป็นต้นก็ดีถามว่าลองคิดดูดิแล้วพุทธศาสนาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาในในบรรดาทิศที่ทั้งเป็นเร้อยเป็นเป็นพันทิศที่บนความแตกแยกของสังคมอย่างรุนแรงกว่า ง, งั้นเถอแต่พุทธศาสนาเนี่ยเดินทางไหนร้ไหมมัชฌิมาวิบาาัิ ทีนี้พอมัชฌิมาปฏิปทาที่เรามาศึกษาเรียนรู้แล้วมามาเอามาทําความเข้าใจกันกลายเป็นมัชฌิมาปฏิปทาตามทัศนะของเราคือสองคนนั่งคุยมัชฌิมาปฏิปทากันเถียงกันคอนเป็นเอสงลดลดไอทิฏฐิมานะไม่ได้นี่มันเป็นมันเป็นปัญหาทีนี้ที่เป็นสิ่งที่น่าคิดที่สุดก็คือว่าในบรรดาชาวพุทธทั้งหลายเนี่ย เวลาชาวพุทธทั้งหลายพอไปตีความคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เอาเข้าข้างในปัจจุบันก็พยายามดูมองมองกลุ่มที่ศึกษาคำสอนกันเนี่ยแล้วก็อธิบายคำสอนกันพออธิบายไปตามคำสอนไม่ว่าหรอกแต่เอาทิศถีของตนเองนั้ น, นไปเกลือกลัวคำสอนของพุทธเจ้าเลยเอาเลยทอนนี้ก็เกิดประเด็นต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่า ในในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นสัตว์บรุษจริงๆแล้วให้สังเกตตรงนี้นว่าความรู้เนี่ยถ้ารู้อย่างดี๋ยความคิดเนี่ยถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าหรือบุคคลที่นับถือพุทธเจ้าจริงๆหนึ่งต้องคิดไม่เบียดเบียนตนไม่ไม่เบียดตัวเองเ ไ, ไม่เบียดเบียนตนเองนะเช่นความคิดที่เป็นไปกับ บาปอากุศลทั้งหลายเนี่ยเบียดเบียนตนเองชัดเลยเช่นนั่งอยู่ดีๆก็กามวิตกเกิดขึ้นบ้างพยาบาทวิตกเกิดขึ้นบ้างวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นบ้างหรือบาปอากุศลธรรมอลาโมกมันเกิดขึ้นในใจของตนเองแล้วก็พฤติกรรมที่ตนเองอยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ยเบียดเบียนตนเองชัดเลยในขณะนั้นตนเองก็เดือดร้อนและถ้ากรรมนั้นให้ผลเมื่อไหร่ก็ยิ่งเดือดร้อนอันนี้เบียดเบียนตนเองเนี่ยทีนี้ถ้าเอาความคิดประเภทลักษณะเนี้ย ไปกระทบคนอื่นอีก เ, เบียดเบียนคนอื่นอีกแล้วแล้วก็ทั้งตนเองก็เบียดเบียนด้วยกูอื่นก็เบียดเบียนนั่นนั้นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่สัตวนะ์บุรุษแล้วเป็นอาสัตว์บุรุษเห็นไจะเป็นอย่างนี้ประการอย่างอย่างหนึ่งก็ความรู้ก็นัาา่นแหละรู้เพื่อจะเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเองแล้วคําพูดหรือถ้อยคานะําล่ะ ให้สังเกตบุคคลที่ประกาศตนเองว่านับถือพุทธศาสนาทั้งหลายต้องดูว่าหนึ่งเขาพูดเท็จไหมสองเขาพูดส่อเสียดไหมเขาพูดคําหยาบไหมเขาพูดเพ้อเจ้อไหมใช่ไหมถ้าหากว่าเขากล่าวเท็จทั้งๆ้ที่รู้เป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือพูดส่อเสียดทั้งๆ้งที่รู้พูดคําหยาบทั้งท้งที่รู้พูดเพ้อเจ้อทั้งๆที่รู้เป็นต้นเหล่าเนี้นั้นไม่ใช่สัตว์บุรุษนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าการงานก็เหมือนกันเขาเว้นจากปานาธิบาตเป็นต้นหรือไม่เป็นต้นฉะนั้นตรวจสอบไม่ยากทั้งตนเองและบุคคลอื่นเนี่ยนี่มีลักษณะอย่างนี้นิปการต่อมาที่บอกว่าสัพพุริสสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้ที่บอกว่า เป็นผู้มีราบสกามะแล้วนะเป็นพระหูสูตรก็แปลว่ามีความรู้มากเนี่ยมีความรู้มากก็ถ้าไปยกตนอย่างนี้นะเป็นอาสัตบุรุษเป็นผู้จําวินัยระเบียบแบบแผนเป็นธรรมกระถึกก็แปลว่าโอ้โหรู้พระสูตรเยอะแล้วก็กล่าวก็ทำสอนคนอื่นเยอะแยะหมดเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดอันนี้หมายถึงกลุ่มพระนี่นะกลุ่มพระก็คือเหมือบางกลุ่มก็ถือว่า ที่เราใช้ผ้าเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลเนืคําว่าบะผ้าบางสกุลคือไม่รับข้าหัาหัดีจีวรที่เข้ามาถวายไม่รับเน่ะกรมนี้ไม่รับเพราะว่าคือต้องการจะเข็งคลาดจริงๆประเภทที่ถือธุดงกวาดเลยเนี่ยถ้าจะใช้ผ้าก็ต้องหาผ้าเองเศษผ้าที่ก็ทิ้งบ้างเขา ต, ตกตามฝุ่นตาดินทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาทิ้งทั้งหลายก็ไปเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมา แล้วก็มาย้อมมาซักมาอะไรต่างๆก็มาตัดมาเย็บเองปะเองอะไรเองแบบเบียดเสร็จนี่ยนี่เขาเรียกผ้าบางส่วนอาจจะบ้านหาไม่ได้อาจจะมีนะเป็นผู้ถือการเที่ยววินาศเป็นวัดก็แล้วว่าโอ้ยบินบาศเป็นวัดแล้วก็อยู่โคนไม้ถือแล้วก็เป็นผู้ถือการฉันอาสนะเดียวเป็นวัดทุกวันเนี้ยคําว่าฉันหนเดียวกันโอ้ยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวกันจริงๆ อันนี้ไม่ใช่พูดในภาษาพราะไม่เคร่งเี่คือในบาลีในคําสอนท่านใช้คําว่าฉันอาสนะเดียวแปลว่าอะไรรู้ไหมนั่งไว้เถอะจะนั่งตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยจะฉันกี่ครั้งก็ได้อาสนะเดียวแต่ถ้าท่านลุกแล้วท่านไม่ฉันอีกเลยเนี่ยนี่ก็เรียกอาสนะเดียวส่วนคําว่ามื้อเดียวเนี่ยท่านไม่ได้นับเป็นมือ้อเป็นครั้งแต่ท่านนับว่าตั้งแต่เช้ายันเที่ยง ในเขเรียกว่ามือเดียวจะฉันพันครั้งก็ได้ก็ถือว่าฉันมือเดียวต้องเข้าใจอย่างนี้เสียมันจะได้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันเนีคนนั้นเคร่งคนนี้ไม่เคร่งเคร่งก็ให้มันถูกตามว่าทำคําสอนใช่ไหมทีนี้พอไปทงเคร่งเสร็จอัตมาจัดมือเดียวพูดไม่ถูกเลยจะฉันอาสนะเดียวก็ว่าไปแต่ว่าถ้าลุกจากอาสนะนั้นแล้วจับไม่หยิบอะไรเส่บากนอกจากน้ำ เนียนอกแข่งแล้วเนี่ยอันนีเขาเรียกอาสนะเดียวแต่ถ้าฉันมือเดียวเนี่ยก็แปลว่าฉันตั้งแต่ช้าไปจนจะเป็นกี่ครั้งแล้วกันคือก่อนก่อนก่อนก่อนเพลนถ้าหลังเพลนไปนั้นไม่ใช่มือเดียวทีนี้เวลาภาษาไทยเนี่ยเนี่ยเวลามาแปลเป็นภาษาไท ย, ยมันเป็นปัญหากันเยอะก็เหมือนคำว่าพระเจ้า ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เอาคําว่าก๊อตนี่มาแปลเป็นพระเจ้าหรือมีปัญหาอย่างทุกวันนี้เลยเดี๋ยวเนี้ยคนไทยไม่กล้าเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าเลยทั้งๆที่ภาคเหนือเนีพระเจ้าหมดหรือแม้แต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีกล่าวไว้ แ ใ, ในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าวันพระเจ้าเปิดลกใช่ไหมก็คือพระพ <St> <im ri ana> ุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงก์ที่สังกษณนครที For ่สาวัตถีเวลาเราไปที่อินเดียก็ก็จะเห็นตรงนี้ก็เรียกพระเจ้ากันอย่างนี้พอปัจจุบันพอศาสนาคริสต์อิสลามซิกฮินดูพวกนี้เนี่ยมาเรียกพระเจ้าก็ไม่กล้าพูดและวแต่คนโบราณก็บอกพระ ต้งเคารพพระเจ้าพระสงค์นะเรียกเรียกพระเจ้าประสงค์เป็นผู้อยู่โคนไม้เป็นผู้ฉันอาสนะแล้วเป็นผู้ได้ฌานสมาบัติแปดแปลว่าอะไรได้ปฐมฌาน ท, ท, านตาทานุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้ได้อรุปฌานสี่แปดแล้วยังไปสําคัญตนเองว่าได้ตรงนู้นยกตนข่มผู้อื่นผู้อื่นไม่ได้เท่าเราอย่างนี้เป็นอาสัตบุรุษหมดเลยเห็นไหมตั้งแต่ระดับตั้งแต่ ตั้งแต่ที่จากราบสกาลาไปจนถึงได้คุณธรรมเบื้องสูงโดยซ้ำไปยกเว้นมรรคผลส่วนสัตว์บุรุษเนี่ยก็มีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะตรงกันข้ามทีนี้ในพระโหธาตุกสูตรนี่ก็ในอุปริปนาฏเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสถึงภัยอันตรายอุปศัครค์ ว่าเกิดจากคนพาณนะไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตแล้วก็แสดงลักษณะของบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาในธาตุคือสามารถแตกฉานในธาตุในอายตนะในปฏิจจโนบาทในฐานะในอาถานะเป็นต้นส่วนในภารปัณฑิตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนพาณิชยว่ามีลักษณะสามอย่างคือคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำสู้ชั่วส่วนบัณฑิตก็คือคิดดีพูดดีแล้วก็ ทำดีอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ที่ยกตรงนี้มาให้ดูก็คือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของสัตบุรุษประการต่อมาก็คือลักษณะของสัตบุรุษหรือสัตยธรรมเจ็ดประการทมของพระอริยะก็ได้ทมของสัตบุรุษก็ได้อริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อ ความตัตจรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตัตจรู้ชอบได้โดยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบาน แ, แล้วเป็นผู้จำแนกคำในการตึกคิดในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า อริยาสาวกหรือสัตบุรุษเนี่ยเวลาเวลาศรัทธาก็จะศรัทธาในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่แต่ไม่ได้น้อมเข้าไปว่าแม้พอ เ, อเพราะเหตุนั้นว่าผู้มีพรภาคเจ้าพราะองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสทัศนูชอบได้โดยตนเองเป็นต้ น, นถ้าจิตนอบน้อมไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสัตบุรุษจริงประการที่สองเขเป็นคนผู้มีหิริหิริในที่นั้นก็แปลว่าละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนโทุจริต ละอายต่อการถึงพร้อมด้วยบาปอากุศลและมันลามกเขาจะมีความละอายมากถ้าหากเขาจะประพฤติกายาทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตออกมาเนี่ยนะหรือเขาจะมีความละอายมากทั้งๆ ท, ท, ที่คนอื่นไม่รู้เลยแต่ว่าในขดะหะใดใจก็เป็นบาปก็เคยมีความรู้สึกไ้ยเวลาความโลภเกิดขึ้นวุ่ละอายจังงใช่ไหม ทั้งๆความโลภเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งยืนเดินนอนอยู่เนี่ยคนอื่นถามว่าคนอื่นก็ไม่รู้เราแต่จริงๆเขารู้นะเทีเยบเทวด า, ารักทั้งหลายที่ก็มียาณพิญญาเป็นต้นหรือคนที่มีพิญญาทั้งหลายก็รู้แต่เขาไม่พูดแต่ที่แน่ๆคือเรารู้ใช่ไหมเช่นเราจะคิดอะไรไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเวลาบาปอากุศลเกิดขึ้นกับใครเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยตนเองก็เป็นสักขีพยานอยู่แท้ๆจริงๆน่าจะละอายตัวเองบ้าแต่ที่ที่ไม่ละอายว่าอะไรรู้ไหมเพราะเพราะเราคิดเข้าข้างตัวเองตลอดใช่ไหมบอกไม่เห็นเป็นไรถ้าจะให้บาปเกิดบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นความสุขในชีวิต <c oughs> ไปเลยเดีวนี้คนทำไมถึงกล้าทำบาปเพราะว่าบาปมีอาสาทนเนี่ ย, าาายคือมันให้ความ มันให้ความสุขในขณะรมบาปบางอย่างเป็นอย่างนี้นประการที่สามเป็นผู้มีโอตตะปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายโโทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อบาปอักษ ร, รธรรมอลามุกที่เขาสะดุ้งกลัวก็กลัวอะไรอ่ะเวลากายทุจริตเกิดขึ้นเช่นจะฆ่าสัตว์เป็นต้นวจีทุจริตเช่นจะพูดเท็จมโนโทุจริตคือจะคิดโลภคิดโกรธและเห็นผิดเนี่ย เวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาสะดุ้งกลัวอะไรที่จริงเขากลัวต่อผลเนีผลที่ตนเองจะต้องเป็นผู้รับเ่ยเขาสะดุ้งกลัวตรงนั้นอะทาไมถึงสะดุ้งกลัวไปกลัวทําไมใช่ไหมกอไม่เห็นหน่ากลัวเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาเข้าใจกรรมและผลของกรรมดีเขาแล้วก็เห็นอยู่ใช่ไหมเขาเห็นอยู่คนบางคนก็ประสบทุกข์คนบางคนก็ประสบสุขคนบางคนประสบความวิบากวิบัติพัดพลาดเป็นต้นคนบางคนก็สมหวัง เขาเห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วยอยู่ฉะนั้นเพอบาปอากุศลธรรมราโมกเกิดขึ้นในใจเขาหรือทุจริตสามเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็รู้ทันทีว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมีผลเป็นทุกข์เขาก็กลัวสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ตนเองจะต้องเป็นผู้ได้รับเนี่ยตรงนี้นี่แหละเขาถึงกลัวอาการที่สี่ก็คือเป็นพ้าหูสู่ทรงธรรมทรงจำธรรมที่ได้สดับมาแล้วสั่งสมธรรมที่ได้ สดับมาแล้วทําเราได้งามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งวยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทําเราทําทั้งหลายเห็นปานนั้นอันท่านได้สดับมามากทรงจําไว้ได้สั่งสมด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาคนที่มีสุดตรา ม, มากเนี่ยฟังมากเนี่ยจะดีตรงไหนหรู้ไหมดีตรงที่ว่า แยกแย่ได้โอ้รมเหล่านี้งามในเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นศีลสมถะงามในเบื้องต้นเงี้ยวิปัสสนางามในท่ามกลางมรรคผลงามในที่สุดเป็นต้นอย่างนี้สมมติหรือศีลสมถะงามในเบื้องต้นสมถะเออคอยไว้วิปัสสนาและอริยมรรคงามในท่ามกลางผลและพระนิพพานงามในที่สุ ด, ด, ดหรืออย่างเงการแยกแยะในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ตื่นเชิงเป็นต้นหเหล่านี้ <S <S ฉะนั้นการ ฟังคำสอนศึกษาคำสอนมามากๆเลยเวลาท่านเหล่านั้นจะไปเจริญง่วงงามในศีลสมาธิปัญญาจะไปพ่อพูนมระไมชมาปฏิปทาเป็นต้นเหล่านี้เขาก็เหมือนมีพระพุทธเจ้าคอยบอกแนวทางอยู่ตลอดเวลาประการที่ห้าเป็นผู้ปาราบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อถึงพร้อมเห็นกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบาั่นไม่ทอดทุลัในกุศลธรรมทั้งหลาย คำว่าปาลบความเพียรเนี่ยก็แปลว่าละบาปอย่างหนึ่งก็ถึงพร้อมแห่งกุศลอย่างหนึ่งแล้วก็เข้มแข็งด้วยบากบั่นด้วยไม่ทอดทุลาในกุศลธรรมเช่นศีลกุศลเนี่ย น, นะบางคนก็อย่าเพิ่งทําเลยเนี่ยอีก็เรียกทอดทุลาเนี่ยคว่าทอดทุลาแปลว่าไม่เพียรพยายามไม่มคำหมักคำเม่นในการที่จะน้อมกายกรรมวิจีกรรมเป็นต้นนี้เป็นกุศลศีล ม, มโนกรรมเป็นต้นนี้เป็นกุศลศีลเป็นต้นเลยเนี่ยนะและสมาธิและปัญญาเป็นต้นเลยเนี้ แต่ถ้าคนที่มีความเข้มแข็งมีความบักบันไม่ทอดทุรนในกุศลธรรมทั้งหลายก็แปลว่าได้กุศลธรรมยังไม่หยุดอยู่ให้สังเกตดูคนทํางานเนี่ยนะเวลาก็ทํางานคนที่ขยันทั้งหลายเนี่ยก็าไม่ค่อยหยุดบ่อยเขาไม่ค่อยหยุดบ่อยอันนี้แปลว่าคนนี้ก็มีความเพียรเขาก็เร่งทํำกันไปเรื่อยแล้วก็ตั้งเป้าหมายาก็าว่าจะต้องทําให้เสร็จคนบางคนนี้กลัวใจจริงๆนะก็เห็นคนที่บ้านคนนี้กลัวใจ ลูกหลานเจ็บป่วยนี่แกโยนจอบโยนยนเสียมใหเลยแม่ยาเนะบอกว่าพ่อปวดหัวนี่แกโยนจอบโยนเสียมให้เอาให้ไปขุดดินเน่ะแล้วเป็นอย่างนั้นแทบทุกคนลูกหลานแกแต่และคนแกล่งหมดแล้แกล่งหมดดูโอ้โหตัวแกก็เป็นอย่างนั้นขนาดอายุทั้งเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนี่นะแกยังขุดดินยังทงั้งยงโอโ้แข็งแรงเลยคือคนความเพียรเพียรมากอนะ่ะ ที่จะกลับความเพียรตรงนั้นมาเจริญกุศลน่าจะไปได้เร็วมากนะนี่คนเขามีความบากบั่นมีความเพียรเนี่ยไม่ทอดทุละไม่ทอดทุลาในการงานทีนี้ถ้าอย่างเราก็คือไม่ทอดทรลาในกุศลแปลว่าโอ๊้วันนี้ได้แค่นี้พอแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกทอดทุละเซ <c oughs> <c oughs> อร์ดนี้เงี้ยเขาเรียกทอดทุลาเดี๋ยวโอ้โอเขเา ก, เาก็เราก็ดีขนาดนี้แล้วอย่าเอาอะไรขนาด <c oughs> <c oughs> านี้ไม่ ไม่งอกเลยในกลุ่มในกลุ่มที่กลุ่มศึกษาคําสอนของพุทธเจ้านี่ขขเขาเขาไม่ทอดทุเลากลุ่มที่ไม่ทอดทุเลเนี่ยเขาจะเขาจะมีความหวังและความหวังของเขาก็จะสําเร็จเหมือนในอากังขยสูตรเนี่ยจะต้องเป็นคนมีความเพียรยังไงดิความหวังสิเจ็ดประการเป็นต้นเนี ที่หวังว่าเราพึงเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพจเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพมาจารีทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้คนที่มีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยเพื่อนพรมาจารันทร์หรือเพื่อนพนมาจารีคนไปพึ่งทําร่วมกันเนี่ยผู้บุคคลที่ไปพึ่งทําร่วมกับเขาเนี่ยเขารักใครก็ชอบใช่ไหมไม่ต้องอะไรถ้าเรามีคนงานก็ดีมีเพื่อนก็ดีที่อยู่ได้บ้านด้วยกันและเป็นคนขยัขยนเนี่ย เก็บกวาดก็เรียบร้อยทำอะไรหูไม่มีต้องพูดต้องบ่นต้องว่าเลยเราลักเลยมีอะไรก็นึกถึงแต่ตรงกันข้ามเราก็ไม่ชอบอยังไม่ยังั้นคนที่มีความเพียรเป็นต้นเหล่านี้ประการต่อมาคือว่าออบุคคลที่มีศีลเป็นต้นเหล่านี้นะมีศีลที่บริบูรณ์มากไปได้วยปาฏิโมกสังวรมีความสำรวมในปาฏิโมกประพฤต ถึงพร้อมไม่อาจารย์ความประพฤติและโคจรละทางเห็งความดําเนินเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในศึกษาบททั้งหลายเป็นต้นนี่กลุ่มบุคคลเหล่าเนี้ยถ้าเป็นพระนี่เหมือนเงียวก็บอกว่าให้ทานรักษาศีลเนนะี่ยําว่าให้ทานแล้วก็น้อมในศีลห้าแล้วรักษาศีลห้าแบบไม่มีตัณหามานะที่ตีก็เยอะบนด้วยเนะก็ออกหวังอะไรก็ได้เช่นหวังอยากได้เสื้อผ้าก็ได้ ได้อาหารกไ็ได้ได้ที่อยู่ก็ได้ได้ได้ยารักษาโรค ก, ก็ได้เพราะว่าพะเจ้าท้าเลยนะพิกษูตรเนี่ยบอกว่าเอาเอถ้าเธอเนี่ยว่างั้นนะหนึ่งมีปฏิโมกสงวนศีลมีอินทรีสงวนศีลมามีอาชีวประลิษฐที่ศีลมีปัจจยสันนิสิตาศีลเนี่ยมีศีลทั้งสี่ประการแล้วก็เจริญในสมาธิและปัญญาเป็นต้นให้ต่อนเนื่องเนี่ย ถ้าเธอหวังจีวรเธอได้จีวรใช่หหวังอาหารนะบินาบาตก็ได้หวังเสนาสนะก็ได้หรือหวังกีฬานเพศสัตว์ที่ดีๆก็ได้คือท้าให้รู้ว่ากุศลศีลเนี่ยหวังอะไรก็ได้ทีนี้มันก็มียอมอยู่คนเขาก็เขาก็เล่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทอะไรทำทองทาทองแบบว่า ไปรับเอเขาเรียกอะไรนะเศษทองที่คนเขาทาทองแล้วมันจะหล่นล่วงกับพื้นแล้วเขาก็จะกวาดเอาทั้งขยะทั้งดินทั้งอะไรต่างๆไปเศษเขาก็เอาไปเอาไปเบ็ดเขาก็จะไปเข้าเบ่าหลอมแล้วก็เอาออกมาก็จะได้เป็นบริษทัทใหญ่ในประเทศไทยของเราแล้วทำไงมางี้แล้วที่ทํำไงงี้เบ็ดเร็จก็แกก็เป็นคนเขาวัดความทมรักษาศีลต่อมาก็าไปเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่า พอตกต่ำมาไปเสร็ก็แปลว่าเออต้องจ่ายค่าคนงานเนี่ยเขาบอกเดือนหนึ่งก็หลายล้านทั้งลูกเขาเป็นบริษัทแบบครอบครวัวทั้งลูกๆกขาบอกแม่ไม่ไหวแล้วนี่บริษัทจะไปไม่ไหวต้องมีการลดพนัก ง, งานนะ <c oughs> แก้ก็ไปนั่งคิดว่าเออเราเป็นคนแล้วเข้าวัดฟังทำศึกษาธทำปฏิบัติธรรมเนี่ยเนียถ้าไปลดคนงานเนี่ยเราก็มันก็ใจเราก็ขาดมีแต่ อายามแต่ก่อนตอนเราไม่มีก็คนเหล่านี้ก็ทําให้เรามีฐานะมีหน้าตาขึ้นมาได้อะไรต่าเนี่ยแต่พอประสบปัญหาอะไรต่างๆเราทำไมไปใจดําในการที่จะลดกันงานเป็นต้นเลยานี้ก็บอกกับลูกว่า อ, อย่าไปลดสู้เราไปพอสู้ต่อไปเรื่อยๆนะเข้านะเนะข้าคู่ค้ารายใหญ่ๆประมาณห้ารายก็ถอนถอนถอนก็เริ่มเลยเติมเริ่มปั่นบ่วนแกเข้าวัดเข้าวัดไปไปเสร็จก็พระก็ให้กําลังใจ าการกำลังยออกว่ร <surely understanding ghosts> ัก well, า I mean, ีลประพฤึปฏิบัตินั่งกรรมฐานสวดมนต์เนี่ยไม่ไม่จนแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆริใช่ไหมศีลเลนะสุขติงยันติศีลเลนะโพก็สัมปทาศีลเป็นปัใจัยเกิดพวกกระซับมันจะไปจนได้ไงจะเชื่อหรือเปล่าจะหวังใช่ไมถ้จริงจริงดูในสูตรนี่จริงไงเหมือนถ้าเราดูประวัติของอาณาถาพินิกาเศรษฐีเนี่ย ตอนอนาถาปินฑิกาเศรษฐีเนี่ยยากจนเนี่ยนะจนลงเนี่ยจนอย่าว่าแต่มนุษย์ในเมืองนั้นเลยนะเดือดร้อนเนี่ยเออไม่ใช่บริวารของอนาถาเนะแต่แกไม่ทิ้งบริวารเหมือนกัน น, นาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยนะเทวดาที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็ได้เครื่องเส้นน้อยลงปกตินี้แกจะบูชาเทวดาใช่ไหมก็มีดอกไม้มีของหอมมีอะไรต่าง ก, ก็ปกติแกเชื่อการบูชามีผลแกก็ให้ ไม่ใช่จะให้มนุษย์ไงเทวดาเอก็ให้เทวดาก็เริ่มเดือดร้อนใจโอ้โหเราได้ของบูชาน้อยก็ไปเข้านิมิตมาบอกเลยอะคือแปลงกาเห็นเลยบอกเลิกทําบุญจากกรบพระพุทธเจ้าสาวว่าของพระพเจ้าเสียฐาน้านจะได้ดีขึ้นโอโ้เดือดร้อนเลยก็พูดคําเนี้ถ้าใครมาบอกกับนาถาปินฑิกาเสรษฐีอย่างเงี้ยนาถาท่านจะบอกว่าท่านนี้เป็นอมิตรเนี่ยเป็นคนพานนี่ ภาษาบาลีตันใจกับว่าเอาไปหีนะไล่ทันทีเลให้ออกไปจากนิเวศสถานคือที่ของแกทั้งหมดให้ออกไปห้ามเข้ามาคิดดูคนที่เป็นเจ้าของที่เออย่างเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยแปลกนะเราจะเชิญเทวดาคนไหนออกก็ไดนี่มีอํานาจเจ้าของอันนี้ตอนนี้ยังมีอยู่นะแต่อํานาจไม่เที่ยงหรอกเชิญหน่ อ, อได้ไห น, นบอก เรเชิญออกได้เทวดาก็เดือดร้อนเลยโอ้โหไปหาเทวดาชั้นผู้ใหญ่ว่าไม่มีที่อยู่แล้วใช่ไหมพวกเทวดาที่อยู่ในบ้านเรือนเนี่ยเรไม่มีที่อยู่แล้วพวกเท้าจาตุมทั้งหลายก็แนะเออจะต้องหาทางช่วยทันเศรีนีใช่ไหมเทวดาเข้ามาช่วยช่วยก็คือบอกบอกที่ทรัพย์สมบัติของเตรษีที่เคยหายไปฝังดินหายไป นี่สุดไม่นานในกลับคืนมาที่นี้มันมีพรามคนหนึ่งเนี่ยก็ เ, เรียนเรื่องวิชาเรื่องสริริเรื่องมงคลเนี่ยนะพรามคนเนี้ยเป็นอาจารย์สอนมีลูกศิษย์เป็นหลายร้อยคนเนี่ยแกก็พิจารณาไอ้คนล่มจมปป๊บเดียวแล้วรวยขึ้นมาเนี่ยท่านผู้นี้จะต้องมีสริริมีสีมีมงคลอยู่กับตนเองใช่ไหมก็อยากจะไปดูหน่อยจะเข้าไปในบ้านนั่นเศรษฐีจะไปดูไหนตัวสีสริริมงคลเนี่ยก็ ภาษาไทยเขาเรียกมิ่งขวัญเนี่ยนะคนที่มีลักษณะเด่นหรือมีมีมงคลอยู่กับตัวก็ต้องไปดูว่าเอ อ, เ อ, อสิริหรือสีมงคลของเศรษฐีอยู่ตรงไหนแกทำทีทำท่าจะไปเยี่ยมนี้พอไปเยี่ยมเบสเศรษฐาเห็นจะได้แอบขอโมยมาไอ้ น, นี่ก็คิดไม่ดีนะ้คนเป็นอาจารย์สอนคนนี้คิดไม่ดีก็ไปเลยพอไป ไปถึงเศษ่ษีเห็นโอ้เนี่ยอาจารย์สอนวิชาไอ้พวกพราหมณ์มานี่ระดับผู้ใหญ่มาไก็เออต้อนรับแกเป็นคนอ่อนน้อมต้อนรับขับสู้อะไรต่างๆสนนาประทีนี้อาจารย์คนนี้เป็นคนที่เข้าใจพูดเข้าใจหลักภาษาก็ใช้ภาษาในการในการกล่าวภาษาในการกล่าวก็บอกโอ้เนี่ยพูดถึงบอกว่าต้นไม้เนี่ย พูแบบสรุปเนีต้นไม้เนี่ยเออต้นไม้ใบหญ้าไอ้ต้นไม้ที่มันมีดอกมีผลเนี่ยเออมันเวลามันเกิดขึ้นมาในโลกใบเนี้ยมันก็เพื่อประโยชน์แก่โลกใบนี้โดยแท้นะเช่นคนบางคนบางทีบางคนก็เอาผลไปเอาดอกไปใช้เอาใบไปใช้เอากิ่งเอาก้านอะไรต่างไปใช้เนี่ยแต่คนที่ไปเอาดอกเอาผลเอากิ่งเอาก้านเอาใบไม้เป็นต้นเอาไปใช้เอาไปบริโภคเนี่ย เอาไปเป็นที่อยู่อาศัยเป็นต้นเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้สารเสริญไม่ได้ยกย่องไม่ได้บูชาต้นไม้นี่ยังไงเราไปเก็บมะม่วงมาแล้วอุย้ยขอให้มะม่ว ง, งนี่จงมีความสุขความเยู่เเราไม่ได้ไปคิดถึ่งนั้นใช่ไมจ๊ะก็เองครูสอนคนนี้นี่เขาเข้าใจพูดอย่างนี้ก็ก<อ>็บอกไม่ได้ไม่ได้รักการสารเสวนหรือยกย่องแต่ท่านเศรษฐีไม่ได้เป็นอย่างนั้นเกิดมาเนี่ยเพื่อไง เพื่อให้บุคคลอื่นเนี่ยทีนี้บุคคลที่ท่านเศตีให้ไปบุคคลเหล่านั้นทั้งเมืองเลยตามกร ะ, ะเสิรเสิร์นั่นเศรษฐียช่ไหมไม่ยกเปรียบเทียบไปเสรษฐีทีนี้ในขณะที่พูดไปเนะี่ยสายตาก็สอดใส่ไปเห็นสรีรุสีของท่านเศรษฐีอยู่ตรงไหนก็ไปเห็นไก่ไก่ตัวนึงขาวปลอดงามไปเห็นสิเห็นสีเห็นมงคลอยู่ที่หงอนไก่คล้ายว่าโอ้เนี่ย มันเหมือนกับพวกพราหมณ์ก็จะเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขาจะเชื่อว่าอ๋อมีมงคลอยู่ในบ้านนี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปหามงคลกันแบบข้าง น, น, นอกเนะี่ย <laughs> มีมงคลอยู่ในบ้านแล้วเออจะทําให้กิจการดีอะไรอย่างนี้นี่ครเบ็เสรแค่ <c oughs> แะะเอ่ยปากแม่ ท, ที่ที่วิทยาลัยที่โรงเรียนก็จะมาเออของของขอ ง, ของข้าพเจ้าเนี่ยมีไก่อยู่ตัวที่เลี้ยงกันไว้เนี่ยมันขันไม่เป็นเวลา <laughs> คือคือนักเรียนเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยปกติต้องตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลานี่ไก่ตอนนี้บางทีมันขันเั้งแต่ตีสามแม่ลูกศิษย์ก็เอ้ารีบตื่นขึ้นมาก็มาท่องมนหลับห ล, ลับตื่นตื่นกันบ้างเนี่ก็คือขันไม่เป็นเวลาอยากจะขันตีสามก็ตีสามตีสี่ตีสองก็ขันองี้ไม่เป็นเวลานี่เป็นปัญหาวุ่นวายไปหมดที่โรงเรีย น, น, นเหมือนกันแม่ได้ทราบข่าวว่าไก่ของท่านเศรษฐีเนี่ยขันตรงเวลาเป็นไง ถ้าได้ไก่ตัวนี้ไปไว้ในแม่การศึกษาการเล่าเรียนนี่คงจะคงจะดีและนักศึกษาหรือนักเรียนก็คงจะไม่ไม่หลับในขณะที่เรียนเป็นต้นปัญหาในการวุ่นวายในโรงเรียนก็ไม่เกิดแต่ทีก็โอ้โหให้ได้ น, อนอ้องไม่เป็นไรอาจารย์อย่าว่าแต่ไก่เลยนอกจากไก่ตัวนี้ซึ่งมีเออเป็นของโปรดข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะให้แต่ถ้าท่านอาจารย์ปรารถนาสิ่งอื่นก็พร้อมที่จะให้อีกนะอะไรเงี้ยนะ พอบอกว่าให้ไก่ยกไก่ให้ปุ๊บเนี่ยเอสลีหรือสีเนี่ยมันหายแวบไปเลยมันหายไปแล้วก็อยู่บนแก้วมณีนนที่อยู่บนศรีรษะของท่านเศรษฐีมันเคลื่อนที่เฉยเลยจะมาก็เอ็ได้หนึ่งไม่ได้แล้วจะต้องมาสอนเนี่ยซึพอไปขอที่แก้วสิริหรือสีก็ย้ายไปเลยแกก็คิดโอ้เนี่ยเราไม่มีบุญเออสิรินะสิริโพคานะมาสโย ซึ่งเป็นที่มานอนอย่า ง, ง พ, พ่อกระซับทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันเป็นของคนมีบุญเขามันเป็นรักหรือไปเอาของกันไม่ได้เป็นเนินพระยาจัดคำนี้งั้นเวลาคนเขามีบุญเนี่ยเวลาเราดูคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยถ้าเราปรารถนาที่จะมีอย่างเขาบ้างทําได้อย่างเดียวคืออนุโมทนายินดีกับเขาให้เป็ น, นยอย่าไปอย่าไปอารติกับเขา แปลว่าเป็นยินร้ายกา็ถ้าไม่มีคนเนี้กูกคงหลงนี่คิดเงี้ยอย่างนี้เราจะเสียเราจะยิ่งเสียใหญ่เลยเพุทธศาสนาสอนบางคนไม่ใช่สอนให้ทําใจนะคำนี้นะแต่สอนให้อานุโมทนากับเขาที่เขามีบุญกุศลที่เขามีสิริอยู่แต่สริริหรือสีหรือมงคลตรงนั้นเนี่ยกีตกอยู่ได้กฎไตรกักใช่ไหมถ้าคนคนนั้นบุญหมดก็หมดแต่ยังมีบุญอยู่ก็ ก็ตรงนี้วัตถุประสงค์ตรงนี้ที่พูดก็พูดว่าไอ้ความหวังเนี่ยเนี่ยความหวังว่าถ้าคนมีศีลแม้ท่านเศรษจีเนี่ยแกจนตั๊บเดียวแกขึ้นมาแล้วที่พูดยกตัวอย่างยอมคนนี้ก็เหมือนกันที่พูดจนยืดยาวเลยเยอะๆเลยยอมคนนี้เขาพอตกต่ำตกต่ำมาเป็นเสร็จพระกลับให้แกทําบุญเออให้ทําบุญ ให้ทําบุญเทอะไรเมว่าฟังเราฟังก็จะตกใจให้ทําบุญเนี่ยเอาทองเนี่ยแต่พระก็พูดอย่างนั้นก็ดูไม่ถูกแต่แกทําก็เป็นบุญแกเอาทองไปหล่อพุทธโลภหนึ่งร้อย100บาทร้อยบาทเนี่ ย, ยไหมแปลว่าหนึ่งเอ่อหนึ่งหนึ่งชุดหรือหนึ่งเจ้่ยวาพหนึ่งร้อยบาทแกรับสลสามชุดก็เป็ น, ท, ปนทองคำสามร้อยบาท น, นี้่เรื่องนี้มันเกิดเดือนที่แล้วเนี่ยแกโอนน แกก็รับทันทีเลยว่าทั้งที่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วหมดแล้วเนี่ยมาบอกกับลูกลูกถึงนะบอกใครล้วก็รับผิดชอบเลยแกเอ like, ๊ะทําไมถึงทำพูดยังไงเนียแต่ก็มานั่งยิ้ได้ทํำยังไงที่บริษัทแกนเป็นอย่างนี้เวลาเวลานั่นทองออกมาแล้วเศษดินก็ไปทิ้งหลังบริษัททิ้งหลังบริษัทไอ้ดินที่กองทำมาประมาณสามสิบกว่าปีเนี่ยดินที่กองอยู่เนี่ยมีประมาณ ยี่สิบกดะตันใชนะไอ้ยี่สิบกระตันเนี่ยแกก็ไม่กล้าไปทิ้งที่อื่นแกคิดว่าจะหาหนทางทำไงจะกลับมาถลงุงเพราะมันจะต้องมีเหลืออยู่ทองในเนี่ยแลวแต่ก่อนไอ้เครื่องถลุงเนี่ยอุปกรณ์ในการถลุงเนี่ยชุดนึงก็หลายหมื่นบาทแต่อยู่ต่อมาไม่รู้เป็นไงไอ้เป็นผู้จัด ก, การในบริษัทที่แกไปผลิตเครื่องอะไรได้ราคาไม่กี่พัน เ้ามาเอามาถลุงตอนนี้เริ่มตถลุงใหญ่แล้วตอนนี้ทองไหลมาไม่รู้เท่าไรเลยทีนี้ร้อยบาทนี่แป๊บเดียวก็ได้เสียดินไปไม่เท่าไหรแกเก่าวันนี้แกเดี๋ยวตอนนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจใครจะซื้อยังไงงงแกขึ้นก็ใช่ตอนนี้ได้ทองที่แก็อแกบอกส่งทองถาวายผ้าเรียบร้อยไปแล้วสามร้อยบาทที่เหลือนี่เป็นกำไรแกหมดเลยที่เก็บมาตั้งสามสิกว่ยี่สิบสามสิบกวปี ก็ฟื้นแน่นอนนี่ไอ้กลุ่มที่คนชักทุนไปห้าหกทุนอะไรต่างก็หันเข้ามาตอนนี้ก็กิจการก็ดําเนินไปแกก็เลยพูดทีความเออเนี่ยสงสัยเป็นพักุสนศีลที่แกรักษามาเนี่ยรุศนศีลที่จริงเนี่ยตรงนี้เป็นผลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเนี่ยเป็นผลเล็กๆน้อยๆทีนี้คนที่จะมีความเชื่อเชื่อ ตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมีโดยมากก็เอ๊ะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนย่ตรงนี้ยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องว่าเกี่ยวกันในเรื่องของในวัตถุประสงค์ตรงนี้ที่จะพูดก็คือพูดในสภาสะวะสางวรสูตรหรือพูดเรื่องสภาสะวะสูตรสูตรที่พูดในเรื่องของอาสะวะดังที่ได้กล่าวในสูตรนี้ยังไม่ได้กล่าวในรายละเอียด อะไรมากเนี่ยคือว่าก็จะขอเข้าในรายรายละเอียดอาศาวะที่พึงละได้โดยทัศนาเป็นต้นอันเนี้ยครั้งหนึ่งนะข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีพานครสาวัตถี เรรู้ไหมว่าอนาถาปินิกะเศรษฐีนี่ชื่อเดิมชื่ออะไรชื่อเดิมของท่านนี่ชื่อว่าสุทัตตานีสุทัตตานี่คำว่าทัตตานี่แปลว่าให้นี่สูนี่แปลว่าดีแต่คนไม่นิยมเรียกชื่อท่านอนาถาปินิกะเศรษฐีว่าสุทัตตเศรษฐีจะเรียกว่าอนาถาปินิกะเศรษฐีคําว่าอนาถาก็คืออนาถาเนี่ยก็คือ กยวกคนยากจนปินทิกาเนี่ยเป็นชื่อของก้อนข้าวเนี่ยเศรษฐีถ้าแปลโดยใจความก็คือผู้มีก้อนข้าวสำหรับคนอนาถานแปลว่าเป็นที่พึ่งของคนยากจนเนี่ยเขาก็เรียกอนาถาปินทิกาเศรษฐีแต่สุทัตตะไม่มีคนเรียกออคำว่าก็เหมือนที่พูดว่าคำว่าเหมือนอเทวทัตถะเนี่ยใช่ไหม ทัตตาแต่นั้นก็แปลว่าให้เหมือนกันเทวะก็คือเทวดาเนะยเทวทัศน์ก็แปลว่าเทวดาให้มาตั้งสองพันกว่าปีไปแล้วมีใครตั้งชื่อลูกว่าเทวทัตไหมทั้งๆชื่อดีนะเทวทัศตเนี่ยคือเทวดาให้มาวันก่อนก็ไปเจอนี่เขาเล่ากันก็มีเนี่ยพระที่เคยมาบวชที่นี่นี่เขาเล่านิทานรับหลังเขาชื่ออินทัน์ แล้วมันนึกถึงคาเทวทั like ตถ์ถ <All right. S 1> ้าเทวทัตนี่ยเทวดาให้มาใช่ไหมอินทัศน์ก็คือพระอินให้มาเหมือนกันแปลกแปลกตรงไหนรู้ไหมพอแกอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแแกก็ออกไปแล้วแกอยู่ไม่ได้ออกไปแกก็ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้แกก็ไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่ในบางวรมะก็ทําแกจะทําพิธียกสารวัภภูมิให้โยอมบ้างแรง่างวันนี้ดัง ไปไปมายอมก็ไปทําที่อยู่ให้ทางาบทำวัดอยู่ที่ในวัดวา่ารั้แตกกระดาษยันยัดเซ็นหมดมียอมก็เข้ามาถามคนก็ศรัทธาเยอะเนี่ยเข้ามาถามที่ลูกศิษย์ใครเนี่ยเมื่อก่อนก็เข้าไปในโบสถ์ก็ถามทางหลวงพอว่อญาวาเขาบอกเนี่ยท่านก็เป็นคู่สวดเนี่มันมนึกเอ๊ะมันมนึกถึงชื่อแต่ตอนนี้ก็จัดการไปแลยย้วเออคำว่าอินทัดใช่ไหม พระอินให้มาก็เหมือนเทวดาให้มาอีกความหมายหนึ่งก็คือเทวทัศน์นั่นเองคาว่าอินท่านเนี่ยเอ๊ะชื่อไม่ดียังมีพฤติกรรมไม่ดีนี่จริงไม่ได้เกี่ยวกับชื่อนะแต่จริงๆก็คือมาทํามานั่งคิดคือท่านทําไม่ถูกกระทาไม่ถูกวินัย เ, เขาก็เขาก็ดําเนินการล้วคนจะติดเยอะไอคนที่ทําวิธีปลุกสารวภูมให้บ้าง สะดอกเคาต่อชะตาอะไรเงี้ยนะจะเป็นปัญหาสังคมไทยเราทุกวันสังคมไทยศึกษาไม่ดีพอณที่นั้นเองพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกระับทูนพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภตัดพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปริยายว่าด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงแก่เบิกเธอเธอจงฟังคําว่า เราจะแสดงปริยายด้วยการสังวรอาสะวะทั้งปวงหมายถึงว่าเราจะแสดงการปิดเนี่ยการปิดอาสะวะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าแสดงตรัสถึงวิธีการละอาสะวะเจ็ดวิธีดังที่ได้เนี่ยที่เราจัดแสดงคืออาสะวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นสภาวะทำตามความเป็นจริงอย่างอาสะวะที่ละได้ด้วยการสํารวมอาสะวะที่ละได้ด้วยการซ่องเศษ อาสวัติละได้โดยการอดกลั้นอาสวัติละได้โดยการเว้นอาสวัติละได้โดยการบรรเทาแล้วก็อาสวัติละได้โดยการเจริญเนี่ยแบบว่าเธอจงฟังตรงนี้ก็ขยายไว้ให้แต่ในนี้ยังไม่ได้ขยายอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพระเจ้าแบบนั้นเนี่ยโดยพรตรัสในลักษณะอย่างนี้เนีภิกษุทั้งหลายก็ชื่นใจกันเนะ่ว่าเออเนี่ย ต่อไปเราจะได้ละบาปละอุปสมละธรรมได้ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ใช่ไหมบอกพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะแสดงปริยายด้วยการสังวร อ, อาสวะสังวรแปลว่าะละเนี่ยได้แปลว่าปิดก็ได้แปลว่ากั้นก็ได้ก็คือเราจะกั้นอาสวะยังไงเช่นเวลาเห็นจะไม่ให้การมาสวะภาวะสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างเงี้ย ก็เลยบอกเการเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงจะละได้และจะสารวมยังไงไม่ให้อาสวะเกิดจะเสพยังไงไหมซ่องเสพยังไงจะไม่ให้อาสวะเกิดเป็นต้นเออตรงนี้ถ้าหากว่าเราฟังคำสอนของพุทธญาตาตรงนี้ต่อไปมันจะเป็นหลักในการปฏิบัติจะเป็นหลักปฏิบัติ ตามความเป็นจริงเนว่าเออว่าจะละบาปละอกุศลได้เนี่ยโดยการศึกษาคำสอน mm hmm. พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ารเออิภิกษุทั้งหลายก็ทุนรับพระผู้มีภภาพเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้ารับพระผู้มีาพระภาพตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะไว สำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสะวะไว้สำหรับภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นออคนที่จะหมดจากการ ม, มาสวะพระวสวะทิฏฐสวะวิชาสวะได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเรากล่าวการสิ้นไปแห่ง อาสวะทั้งหลายสําหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นแล้วบอดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไรเห็นอะไรคือเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ก็เป็นการถามถามลักษณะนี้เขาเรียกกเถตุกกรรมยาตาปุจฉาถามเพื่อตอบเองยกประเด็นปัญหาขึ้นมาตั้งปุ๊บตอบเองแต่ไม่ได้มีว่าถูประสงค์เพื่อ ให้คนอื่นตอบบอกว่ารู้อะไรเห็นอะไรบอกความสิ้นอาสวะจะมีได้แค่ภิกษุผู้รู้ผู้รู้เห็นโยนิสมานสิการและอโยนิสมานสิการตรงนี้พระองค์ตัดเกี่ยวเรื่องอะไรบอกว่าในมูลปรยายยสูตรเนี่ยนะในสัพพาสวะสูตรกล่าวถึงโยนิสมานสิการ คือการทําใจไว้โดยแยกคายหรือการพิจารณาโดยแยกคายเนี่ยแล้วก็ตัดอโยนิโสมนสิการก็ไว้ว่าการทําใจโดยไม่แยกคายแล้วก็พิจารณาโดยไม่แยกคายตรงนี้เป็นหลักสําคัญก็คือว่าโยนิโสมนสิกานีเนเน่เป็นหลักสําคัญนะเป็นหลักสําคัญในการที่จะเป็นปัจจัยเบื้องต้นถ้าหากปุรุชนเนี่ยย่อมพิจารณาโดยไม่แยกคาย อโยนิสมานสิการก็จะเกิดใช่ไหมนี่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยแต่ถ้าเป็นบุคคลผู้ได้สดับเนี่ยนะเขาบอกว่าบุคคลที่ไม่ได้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้พบไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของจ่าพระอริยะหรือสัทบุรุษอันเป็นปรโตโขโะว่าทําให้ปุถุชนนั้นไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจพิจารณาเมื่อไม่รู้ถึงจึงพิจารณา ที่ไม่ไม่พิจรารณาก็ไม่พิจรารณาทำที่ควรพิจรารณาก็เป็นเหตุให้อาสะวะเกิดขึ้นเป็นเหตุให้กามาสวะคอาสะวะคือกามความติดยึดถือในกามเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ภาวาสวะอาสะวะคือพบความยึดติดในพบดยความในความเป็นตรวจขึ้นแล้วก็เป็นเหตุแห่งการยึดติดในอวิชชาสะวะอาสวะ ค, คือความหลงไม่รู้เนี่ยก็เกิดขึ้นเฉนั้นปุถุชนในพิจรารณาโดยไม่แยกคายเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยให้กามาสวะภาวาสวะ และวิชาวสะวะเป็นต้นเกิดขึ้นตรงนี้นี่นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสะวะสําหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสะวะสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสะวะจะมีแก่ภิกษุผู้รู้อะไรเห็นอะไรบอกว่าความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนัสิการและอโยนิโสมนัสิการ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมาเทศการโดยไม่แยกคลายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญถามว่าอาสวะทั้งหลายในที่นั้นคืออะไรคือการมอาสวะความติดในกรารมาคุณทั้งหลายทวารสวะความติดในภพทั้งหลายทั้งการมาภพรูปภพอรูปภพนี่นะอวิช า, าสวะคือความหลงความไม่รู้ทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาสวะเหล่านั้นก็ถึงความเจริญขึ้นฉะนั้น การมีไอออนิโซเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อาสวะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยกคลายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเธอก็ย่อมลาเสียได้ถ้าเราบอว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงนลาได้โดยการเห็นก็มี อาสวะทีละได้โดยการสังวรก็ม so, ีอาสวะทีละได้โดยการเสพก็มีอาสวะทีละได้โดยความอดกลั้นก็มีอาสวะทีละได้ด้วยพอเว้นรอบก็ได้อาสวะทีละได้โดยการบรรเทาแล้วก็อาสวะที่พึงละได้โดยการอบรมด้วยการเจริญก็มีจะอย่างเนี้ยสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีโยนิโสมนสิการเนี่ยอาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะล้าได้ดู ส่วนถ้าหากมีอโยนิสโสมนัสิการแล้วเนี่ยอาสะวะทั้งหลายกาสมาสวะภวาสวะอาวิชาสะวะเนี่ยที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเนี่ยนะแล้วท่านก็ขยายต่อไปบอกว่าหนึ่งอาสะวะที่ละได้เพราะการเห็นตามความเป็นจริงนี่เนึ่ยดูก่อนพิกเซลทั้งหลายก็อาสะวะเราไหนที่พึงละ ด, ด้วยการเห็น ดูก่อนพิกษุทั้งหลายปุตตชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุตรไม่รับไม่ได้รับแนะนําในธรรมของสัตว์บุตรย่อมไม่รู้ธรรมตามความเป็นย่อมไม่รู้ธรรมอันตนควรมนุิยการเมื่อเขาไม่รู้ธรรมที่ควรมนุิยการไม่รู้ธรรมที่ ไม่ไม่ควรมนานัิการย่อมมนัศิการทำที่ไม่ควรมนัศิการและก็ไม่มนัศิการทำที่ควรมนัศิการตรงนี้ท่านยกปุตุชนเข้าไว้ความหมายของคําว่าปุตุชนเนี่ยที่ผู้ไม่ได้สดับเนี่ยปุตุชนผู้ประกอบไปได้วยทิฏฐิสังโยชนย่อมไม่พ้นจากชาติ คือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายโสกะคือความเศร้าโศกปริเทวาคือความขรั่มควนลำพันทุกขะคือทุกข์กายโทมานะคือความทุกข์ใจอุปาญาตคือความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นใจไปจากทุกทั้งปวงได้โดยใจความของปุรุชนเนี่ยเป็นอย่างนี้นั้นปุรุชนผู้ไม่ได้สดับนี่นะก็ประกอบไปด้วยทิฏฐิสัโยชตประกอบไปด้วยความเห็นผิดเนี่ย นั่นถ้าคนไม่ได้ศึกษาคำสอนไม่ได้เรียนคำสอนไม่ได้น้อมจิตใจมาในคำสอนเนี่ยทิฏฐิเกิดขึ้นพอทิฏฐิเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชารามรณะโสกกาปริเทวทุกขโทมวันสายและก็อุบายาตเขาก็จะประสบกับความทุกข์อย่างนี้ลำๆอยู่ล้ำไปใช่ไหมถึงจะเกิดอีกร้อยชาติพันชาติก็เนี้ยก็มีชาติติด ช, ชาติทุกข์ชร า, าทุกข์เป็นตันึ่ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ ได้พบอริยชลาดในธรรมของปริยะได้รับการแนะนำด้วยดีในธรรมของปริยะาได้พบสัตบุตรฉลาเทธรรมของสัตบุษรได้รับการแนะนำด้วยดีในธรรมของสัตบุุษย่อมรู้ธรรมที่ควรมนสิยการคือใส่ใจพิจารณาและไม่ควรมนสิยการเนี่ยอริยสาวกจะรู้ว่าอะไรควรเอามาใส่ใจให้ถูกอะไรควรใส่ใจผิด เมื่ออริยสาวกนั้นรู้ทำที่ควรมนาสิการและไม่มนาสิการย่อมไม่มนาสิการทำที่ไม่ควรมนาสิการย่อมมนาสิการทำที่ควรมานสิการแล้วก็บอกว่าอริยสาวกเนี่ยย่อมมานสิการโดยแยกคลายว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเมื่ออเริยสาวกมานสิการโดยแยกคลายอย่างนี้ย่อมลาสังโยษ์สามได้ ละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละสีละพะตาปรามาตได้ละสักกายทิฏฐิคือความเห็นอันเป็นเหตุแห่งการยึดกายคือยึดกองของขันห่าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิกตาสามประโยชน์นี่นะี่จะเข้าไปยึดว่านี่รูปของเราเวทนาของเราสัญญาสังขารวิญญาณของเรา เป็นต้นเราอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในเราไปยึดลักษณะอย่างงี้เหมือนกับกว่าเอ๊ะผมของใครผมของเรานเนี่ยเนี่ยขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยมันจะมีเราก็าไปยึดไปหมดแต่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นมันไม่เคยไปประกาศบอกใครว่ามันก็เป็น <c oughs> แต่เราไปประกาศ อันนี้ภายในก็ยึดกันอยู่ภายนอกไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะหมดแต่การการที่เราการที่เราพูดว่าของเราเนี่ยถ้าคนที่เขารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเขาของเราโดยสมมุติเนี่ยเขารู้ใช่ไหมแต่เรามันไม่คิดว่ามันสมมติเนี่ยเช่นเสื้อเราเนี่ยแค่เอาเสื้อเราไปไหนเนี่ยถ้าเสื้อเราไปอยู่กับคนคนอื่นขึ้นมาเนี่ยมันมันพอยึดปุ๊บเนี่ยมันราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดกระทําใช่ไม เป็นอย่างไงถามว่าอย่างว่าบ้านเราเนี่ยนะมันก็บ้านเราทุกซอกทุกมุมทุกจุดทุกอกนุโมนเป็นของเราเนี่ยนะให้เราจะให้เราคิดว่ามันไม่เป็นของเราเนี่ยนะไม่คิดอย่างนี้มันจะ ข, ดขาดความเป็นจริงจริงๆให้เข้าใจว่าคําว่าของเราเนี่ยมันเป็นการสมมุติขึ้นให้เข้าใจอย่างนี้นะของเราเนี่ยสมมุติขึ้น สมัยก่อนก็พ่อแม่เราก็เข้าใจว่าเป็นของท่านแต่ท่านก็ลากเอาไปไม่ได้เนี่ยทั้งนาทั้งไร่ทั้งทรัพย์สมบัติเนี่ยนะใครมาอยู่ก็มานั่งยึดกันอย่างเงี้ยยึดกันอย่างเงี้ยแล้วจะถ่ายทอดความยึดถือไปหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนเนี่ยนะก็จะละเนี่ยก็จะเข้ามายึดๆกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ยึดทั้งหลายก็พากันลบหายตายจากไปหมดเลยไม่มีใครยึดเลยถาวรเลยโอ้สมมตินะเราเกิดมาเป็นล้านชาติเนี่ย ไม่มีตรงไหนเลยที่เราไม่เคยยึดเนะี่ยใช่ไหมเราไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ไปนั่งยึดวิมานไปนั่งยึดวิมานอยู่เกิดเป็นสัตวนะ์ดิบฉานในสังเกตดียึดทของมันหมดแลนะ้วเนี่ยที่ตรงไหนแรงต่างจอมปวกแรงต่างก็แล้วแต่เนะี้ยหรือพวกปวกพวกแรงต่างแล้วมันขึ้นมาในบ้านมันถือของมันกินหมดมายึดอย่างนี้นั้นโดยสรุปก็คือเราเที่ยวยึด เนี่ยยึดดินยึดน้ํายึดไฟยึดลมกันอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปยึดอะไรมากมาไปกว่าเนี้ยึดดินยึดน้ํำยึดไฟยึดลมใช่ไหมก็จะยึดถือกันอยู่อย่างแต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เรารู้จักรักษาเนี่อต้องคาความเข้าใจว่าที่เราไปรักษาดูแลอะไรต่างๆมันเป็นหน้าที่แต่ต้องรักษาแบบไม่ยึดพูดยากเงี้ยพูดงี้ว่าพูดยากทาใจยากทำพูดง่ายทําใจยากครับ เพราะว่าใครมาทําที่นอนเราเพื่อนดีือไรแล้วมันโกรธโมปัดโมเหวี่ยงทุกทีมาโอแต่ว่าโดยหลักการคืออย่างนี้ว่าคือข้อให้พิจารณาพิจารณาให้ให้เห็นนางว่าเปนจริงตรงนี่ยว่าเออจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงที่เราสมมุติโดยความเป็นเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเนี่ยก็ก็ก็เป็นหลักการสมมุติกัน ทีนี้สมมุติขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจคําบว่าสมมุติด้วยอย่าไปถือเอาจริงเอาจังตรงนั้นถ้าไปถือเอาจริงเอาจังเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทุกตามาอีกเยอะมันเยอะหมดแล้วก็เหมือนการแย่งแผ่นดินกันอย่างทุกวันเนี้ยแผ่นดินไม่กี่ไร่แย่งกันจะเป็นจะตายกันอยู่นี่มันมันแย่งกันมาทุกยุคทุกสมัยมานั่งแย่งปกระดมข้างกันมา มียอมอยู่คนหนึ่ง น, นั่งเวแล้วเดี๋ยวก็พูดเรองนี้ก็นึกในใจนั่งคิดเนี่ถ้าพูดเนีย่ยยอมโกรธเนี่ยมันไม่เวลาไรหรอกคิดรับคิดอีกนะยอมก็พูดเรื่องนี้เรื่องชุมนมุมเรื่องการเนี่ยจะเสียแผ่นดินจะแรงจากนก็นี่นมันนั่งคิดคิดไปจะพูดดีไหมเนีเ่ยถ้าพูดการนี้ส้องใส่าหายเงียบเลยมาพูดเท่าไดีกว่าผม ไม่คิดคิดไม่ได้วันนี้อีกสิบปียี่สิบปีก็คิดได้หรือชาตินี้คิดไม่ได้ชาติหน้าคิดได้สักวันหนึ่งก็จะต้องเข้าใจคือพูดให้เป็นอัธยาศัยเข้าไว้อาจจะฟังปุ๊บแล้วโกรธทันทีเลยอะไรเงี้ยเนี่ยตัดสินใจก็พูดแล้วจริงๆด้วยต้องเด่นน้นนอย่างนี้ <laughs> แม่ไปนั่งยึดอะไรกันยันขนาดนึงก็บอกว่าโอ๊ย สงสารละวาดมันเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็ไปยึดกันเดีย๋ยวนี้มันเทียมกันนี้กขนาดว่าเออสมัยก่อนสมัยก่อนคำเหม็นเนี่ยก็เป็นของไทยใช่ไหมเนี่ยไปยึดกันไปขนาดนี้ลาวเ อ, อ้คำเหมน็นเอยพมา่าเ อ, อ้ส่วนหนึ่งถ้าคิดกันไปขนาดนะั้นไม่ต้องยกกองทัพไปเล่นกันใหญ่เพิก็เป็นไปเพื่อบากรกรสนเอ า, เอาถ้ า, าเหม็ก็คิดแต่ก่อนก็ครอบคองมายัน ยันรอบบุรีเนี่ยดูปราสาทรอบบุรีเป็นของขอ ง, ของก็เนี่ยยันรอบกันตายเลยแต่เนี่ยเราจะทําไงเนี่ยทางนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปแถวการันตันการันตนูอีกมรกาแถวนูน้เอาของไทยเก่านี้ไม่ได้แร้วเนื้อเอาทั้งนี้ทั้งทงีนเนี่ยสิบสองปันนาสิบสองจิวไทยเอาเอาไแล้วไม่ได้แล้วเพราะเราได้ยึดมาได้ก่อนวดนไอ้เงยไม่มีความสุขเลยชีวิต ก็มนั่งไล่เบียร์กันอยู่ฉั้นในทางทางว่ายึดมากเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะนั่งหงเหนกันก็เอานี่ก็มีไปที่ไหนพวกรักอยาเดี๋ยวนี้เวลาไปนั่งไปที่กรุงเทพไปนั่งแท็กซี่เนี่ยโอ้โหน่าลองคานมากเลยเลยเจออย่างนี้ พอไปถึงเดือดเดืกันหมทั้งในวิทยุในรถชมรมรถแท็กซี่เลยรโผล่ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาบอกอก็เลยบอกว่าไอ้ปิดปิดนะโยมพระไม่ก็อยากจะรู้เรื่องเรื่องพวกนี้เราก็บอกก็ปิดโอโ้โหไม่ได้เพราะงั้นมันชมรมเงนินทล้วไม่คนเดือดร้อนก็ว่ากันเลยบอกว่าเขาเดือดร้อนเราก็อย่าไปเดือดร้อนโยมไม่เดือดร้อนนะผม เขาปล่อยเขาทอเดี๋ยวก็หมดแรงเขก็ไม่อยากเคี้ยวนมเองมีอะไรแล้วคิดเลยมากเลยพี่ โ, โหคิดอย่างท่านไม่ได้แล้วเขาก็คิดอย่างท่านผมเสียหายก็เอาว่าพาขันมาเล่นปลาด้ว ย, นนยนนไงการเป็นคนไม่รักชาติซะ บอกว่ามัวแต่รักชาติเดี๋ยวหาเงินไปได้น้อยเดี๋ยวเมียที่บ้านดาวนะเขาบอกกอ็อจริงจริงเ <c oughs> มต้องเรียกหาเงินเนี่ยเปมัวรักชาติอยู่มึง <c oughs> เลยต้องออกลูบนี้ไปมัวแต่ว่ารักชาติรักชาติกันอยู่ตายหาเงินก็ได้น้อยเลยกลับไปกระโดนผู้ใจัดการดาวสกายทิทีก็คือความเห็นความเป็นเหตุถึงอบบายเนี่ย ก็หมายความว่าการที่เข้าไปยึดยส่วนวิจิกิจฉาก็ลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือได้แก่วิจิกิจฉาเนี่ยนะสี ร, ระพตาปรามาตก็คือความยึดศีลและพจน์ได้แก่ความยึดติดในลัทธิพิธีและการประพฤติปฏิบัติที่ผิดต่างๆที่นำไปสู่ความทุกข์ทั้งคําว่าสี ร, ระพตะปรามาตเนี่ยเป็นการการยึดถือศีลและพจนยึดอะไรยึดติดในลัทธิประเพณี หรือละทิวิธีแล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่ผิดต่างๆและการประพฤติปฏิบัติตัเองนำไปสู่ความทุกข์ด้วยฉะนั้นอริยาสาวกเนี่ยก็พิจารณาโดยแยบคายก็จะละสังโยชน์สามประการนี้ได้หนึ่งไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราสองไม่สงสัยในคุณของบรุนตรว่าจะเป็นปัจจัยก่การพ้นทุกข์ได้จริงสามก็คือไม่ปฏิบัติผิด ไม่ยึดมั่นในพิธีรัที่พิธีต่างๆหรือการปฏิบัติผิดต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยนําไปสู่ความทุกข์ก็คือไม่ยึดตรงนี้นะไม่ยึดศีละพจน์ที่ผิดพลาดอันนี้เขาเรียกว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับส่วนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย์่วนะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยไม่ได้รับการแนะนําของธรรมอริยเป็นต้นไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษเนี่ย ก็พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและสิ่งที่เห็นแล้วที่ฟังแล้วที่ทราบแล้วที่รู้แล้วที่ค้นหาด้วยใจวิญญาณแล้วคือขานเท้าวันนั่นเป็นของเรานั่นเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราก็จะเห็นแบบเนี้ยนั้นผุ้ดชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยอันนี้บวกนั่นเป็นเรานั่นเป็นเราเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยตัณหานเราเป็นนั่น น, นี่เห็นได้มาหน้านะเฮ้ยเราเป็นนั่นเป็นนี่ถามว่าเราเป็นนั่นเนี่ยเราเป็นอะไรดีตอนนี้เราเป็นอะไรดีตอนนี้เราเป็นอะไรมีหน้าที่การงานมีอะไรต่างๆก็ก็ใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยนั่นเป็นอัตราของเรานั่นเป็นของของเรานี่ก็ไปยึดรักซะหนเมื่อพิจารณาโดยไม่แยบคายก็ยึดถือด้วยทิฏฐิว่าที่กำลังหนักไปใหญ่โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้ก็ว่าไว้ใหญ่เลยทีนี้ แล้วก็ห่วงแหนมีวาท่าวาตัวตนอาศัยทิฏฐิก็ต้องเกิดความโศกความรำ่ำไรลําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเมื่อมีความเห็นผิดว่าตนก็มีการยึดถือว่าสิ่งที่เนื่องโดยตนมีอยู่เมื่อสิ่งที่เนื่องด้วยตนมีก็มีการยึดถือตนของเราอะมีอยู่แท้ที่จริงไม่มีตนไม่มีสิ่งที่เนื่องโดยตนฉะนั้นความเห็นว่าโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงเป็นต้นนี่เป็นทิฏฐิของคนพันเป็นทิฏฐิของคนพาน ยึดถือยึดถือมันว่าตนและของที่เนื่องโดยตนตนในที่นี้หมายถึงยึดถือขันขยุนัดลิงทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่เนื่องโดยตนก็คือสิ่งที่เนื่องด้วยขันห้าที่เราไปสมมติว่าเป็นของเราเนี่ยการเข้าใจผิดอย่างนี้ตรงนี้ก็ไปใค่ควรพิจารณาให้มากๆว่าไอ้ตัวไหนเป็นตัวยึดหนึ่งตัณหาสองมานะสามทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐินี่แหละที่เข้าไปยึดว่านี่เรา นี่เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรามันจะไปยึดเองที่จะทําลายตัวนี้ได้ก็คือว่าจะทําลายตัวนี้ว่าถ้าหาพิจารณาเห็นด้วยความด้วยความเป็นท no. <Waters S 2> ุกข์เนี่ยมันจะทําลายตัณหาถ้าพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงจะทาลายมานะใช่ไหมถ้าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตามันจะทําลายอัตตาได้งนั้นถ้าเห็นด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะทำลายความยึดมั่นถือมันตรงนี้ได้เออถ้าไปเห็นนะ ถ้าไปเห็นแล้วไปรู้ไปเข้าใจจริงๆมันจะทําลายได้ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจกฎของไตรลักษณ์เนี่ยถ้าเราไปยึดมันอย่างเช่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเป็นเราถ้าไปยึดว่าเป็นเราขึ้นมาเนี่โอ้โหตามมาเยอะเลยแต่นเนี้ยนั่นเป็นของเราเนี่ยไหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเป็นของเราไปยึดเตตันหาโอ้โหชอบใจมาก ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของเราเนี่ยโอ้โหดีมากใช่ไหมสมบูรณ์มากไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียดก็ชอบเราเป็นนั่นบอกอเนี่ยเห็นไหมเราเราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างก็ไปยึดนั่นเป็นอัตตาของเรานี่เป็นตัวตนของเราเป็นเป็นเป็นอุดมการณ์เป็นทิฐถีของเราอย่างนี้ที่ถ้าไปเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเออที่เราไปยึดว่า โรคเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือผมคนแรกนี้อันนี่ไม่เทีย่ยงเลยไปยอะเลยเป็ น, ปนทุกข์หรือมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคลายนะเออเราบังคับได้ไหมแ ต, แต่ก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงแล้วมันจะนําไปสู่ยังไงเป็นต้นแต่นี้มันจะคลายความเห็นผิดความเข้าใจผิดตรงนี้นะนั่นผู้ดชนที่ไม่ได้สดับคําสอนของพุทธเจา้าก็จะไม่มีวิธีการที่จะแยกแยกความเห็นของตนเองก็สอนกัน เออนี่แม่ทำเขาไว้นะต้องยึดถือห้ามทำให้มันเรองด่งก็จะสอนแบบอัตตาแบบชาวโลกก็จะสอนกันไม่สอนทางออกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะลูกนะมันจะอยู่กับคนมีบุญเท่านะั้นถ้าบุญหมดมันก็หมดใช่ไหที่มันอยู่ได้เพราะมีบุญปัจจุบันนี้อาจจะเป็นบุญของแม่ของป้านะอาของพี่ของพ่อเรื่งด่างก็บอกเข้าไป แต่ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่นะ้องเป็นต่างเหล่านี้ร่มหมายตายจากไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แน่นะเพราะเปลี่ยนมือเมื่อไหร่อาจจะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงฉับวันอะไรก็ได้ถ้าเราบุญไม่พอบุญไม่พอมันก็ได้ไม่พอหรือบุญเราอาจจะมากกว่าก็ได้อาจจะไปเสริมให้มากขึ้นก็ได้ถ้าบุญเรามากกว่ามันก็ต้องบอกรับแต่ทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ว่ามันจะเจริญขึ้นหรือลด ถ, ถอยลงมันล้นตกอยู่ในกอดใจรักนะมันไม่มีการความเที่ยงแท้เน่นอนอาจจะหมดตัวก่อนตายก็ได้ใช่ไหม หรืออาจจะยิ่งมีอะไรขึ้นมาก็ใชก็ต้องเตรียมใจแล้วต้องรับรู้ต้องหาวิธีที่จะต้องพ่อพูนกุศลอย่าประมาทในทาต่างๆนั้นก็สอนก็ได้อีกให้เขาเข้าใจกฎตรายักษ์ให้ได้วันมันจริงๆมันตกอยู่ในกฎตรายักษ์ทั้งตัวเขาเองทั้งสิ่งที่เนื่องกับตัวเขาใช่ไหมวันมันไม่เที่ยงนะใช่ไหมถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงมันจะละมานะเด้มันจะไม่เย่อหยิงถ้าเห็นด้วยความเป็นทุกข์มันจะละตัณหาได้วัตตันหาเนี่ยมันเกียรติทุกข์ความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ย หรือถ้าเห็นว่าเป็นอนัตตาเนะี่ยมังคับบรัญชาไม่ได้มันจะละความเป็นตัวเป็นตนได้อจะละทิฏฐิคือความเห็ผิดได้เราจะต้องไปเข้าใจสิ่งต่างๆเหวนันนี้ทีนี้ถ้าหากไม่เข้าใจกฎตรายักษ์ให้ดีพอแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยเราจะอยู่อย่างเป็นทุกข์อย่างมากเข้าใจป่ะจะเข้าใจถ้ า, าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ก็ก็แนะนําทีนี้การที่เราไม่ได้ปูพื้นฐานหรือไม่ได้ถูกบอกบ่มเพาะให้คนมีความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องเนี่ย มันก็วุ่นใช่ไหมต่อมาก็วุ่นวายกันแล้วเข้าญาติาต่อยติยนเนี่ยแย่งกันเนสาล้มที่ไปแค่ศอกเดียวมันฟ้องร้องกันแทบตายเนี่ยคนเราเนี่ที่เรื่องจริงเนี่ยเห็นห ม, มันมันด้วยความที่มันเอื้อทอนหมดไปหมดแล้วลูกหลานเนี่ยพอแบ่งให้แค่ไหนวันนี้ได้รับแบ่งก็แค่นี้พ่อแบ่งให้เราวันนี้ทะเลาะกันจะว่าแต่ครอบครัวของแม้แต่ครอบครั ว, รวก็เหมือนกันเหมือนกันญาติญาติกัน เนี่ยบางทีต้องไปอธิบายพออธิบายให้ฟังอะเหมือนมันเหมือนว่าเหมือนเอาหินไปโยนลงปุ๊บมันก็จางเลยจอกเหนก็ขยายก็เข้าใจโอ้ไม่มีอะไรพอพอหยุดฟังมาผู้ดูชนไงไม่ได้สดับให้ต่อเนื่องไงพอไม่ได้สดับให้ต่อเนื่องไม่ศึกษาให้ต่อเนื่องไม่ฟังคําสอนให้ต่อเนื่องว่าตันหามันยังมีอยู่มานานมันยังมีอยู่ทิฏฐิมันยังมีอยู่มีกําลังเมื่อไรมันก็กลับมาอย่างเดิมไม่ได้เลยตรงนี้ยอมไม่ได้เลแล้วก็ต้อง เขี่ยออกไปอีกที่ถ้าเราไม่ไปคอยบอกบอก่อยๆล้าชีวิตเราจะต้องไปอยู่คอยบอกบ่อยๆได้มันก็ไม่ได้นี่ปัญหาตรงเนี้ยมันก็มีวิธีเดียวพวกคุณเออพวกเองก็ต้องบอกว่าเออพยายามศึกษาเพื่อเข้าใจตรงเนี้ยไม่ใช่ศึกษาตามใจเราเนะี่ยศึกษาเข้าใจคําสอนว่ามันสับสนมันเป็นแบบนี้เรามากันอย่างไหนก็ไม่รู้ที่มายึดแค่ตรงนี้จะเป็นจะตายก็แค่ที่ตรงนี้เออก็เข้าใจทีก็เอา ก็แล้วคนคนโบราณก็จะถือว่าแม้ถ้าพูดยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นให้ได้เพราก็บอกบางครั้งมันทําไม่ได้คําพูดบางอย่างอ่ะบางครั้งมันทําไม่ได้เช่นเคยตกลงอะไรกันก็าไว้ยังไงเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยในที่ ท, ที่ตรงนั้นเบ็เสร็จเนี่ยต่อมาอีกคนหนึ่งลูกหลานก็มาเปลี่ยนคํากันเนี่ย โ, โ, โอ้โหเถียงกันดับใดแตนี้ก็ก็ก็คอยแก้ไขกันเหมืีเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นตันหามานะทิฏฐิ หรือกลุ่มสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีแล้วก็จ่าปราหมาณเนี่ยเออปุตุชนที่ยังละไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมเป็นปัญหามากๆเลยทีนี้พอเป็นปัญหามากๆถ้าปุตุชนต่อปุตุชนที่อยู่ด้วยกันที่จะทําให้ตันหามันสอดคล้องกันเนี่ยตรงนี้นี่แหละกติกาสังคมกติกาบ้านเมืองอะไรต่า ง, างๆก็เอา ก, ต, ก, าอากติกามาจับตูมลงไปไมั้ง ทีนี้ในบรรดากติกาทั้งหลายเนี่ยพอมาตัดสินตูมเลยลงไปเลิกเด็เสร็จเนี่ยแต่มันไม่ได้รับตัญหามานะทิ่ถีถึงตนเองจะไปขึ้นลองขึ้นศาลยังไงแพ้อย่างไงก็ฝังใจอยู่นั่นแหละว่าเราไม่ได้รับความเข้าใจอย่างเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันไม่ถูกใจเราอะแต่ถ้าเขาตัดสินใครตัดสินเข้าข้างเราเลี่ยโอ๊้เป็นธรรมสุดๆเล ย, ยางานนี้น มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าทำที่ไม่ควรมนานสิกานที่ปุตุชนมนานสิการอยู่เป็นชไหนเมื่อปุตุชนมนานสิการทำเหล่าใดการ ม, มาสวะภาวาสวะวิชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญทำเหล่านี้ไม่ควรมนานสิการซึ่งเขามนานสิการอยู่ เออจริงๆเนี่ยถ้าเราไปมานสิการสิ่งใดเนี่ยมานสิการในที่นั้นคือใส่ใจก็ได้คิดก็ได้ถัดพูดถึงบุคคลถ้าเราคิดถึงใครเนี่ยนะพอคิดปุ๊บแล้วไอ้กามมาสะวะที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นเช่นความยินดีความเพลิดเพลินพอคิดถึงคนนี้ทีไรแล้วโอ้โหมีแต่เรื่องความยินดีความเพลิดเพลินโอ้หเดี๋ยวก็ได้ไปกินอาหารอร่อยอร่อย ในบางเพลงบางพอถึงเมือคิดถึงคนนี้ทีไรมันก็จะนึกถึงเรื่องเหล่าเนี้ยใช่ไหมในผ้าสวยๆงามๆในเรื่ อ, องต่างๆ <c oughs> เขาบอกอย่าไปคิดถึงคนนั้นว่าถ้าคิดแล้วมันยิ่งจเจริญยิ่งพ่อคูยิ่งงองงามมากขึ้นทีนี้ให้พาความคิดออกจากคนนั้นเสียทีนี้ถ้าหากว่าพาความคิดออกจากคนนั้นแล้วไอากามมาสะวะภาวาสะวะทิฐาสะวะ ที่ยังไม่เกิดมันก็ยังเกิดอยู่จะทําไงต่อใช่ไหมสมมติแล้วก็เอย่าไปคิดถึงดอกไม้มากนอถ้าคิดถึงดอกไม้ทจะได้บุญไม่ค่อยเกิดเพราะเราน้อมจิตถึงพระเจ้ายังไม่ได้เนี่ยก็หยุดคิดดอกไม้ให้คิดถึงสิ่งอื่นทีนี้ในขณะที่ไปคิดคิดถึงสิ่งอื่นเนี่ยเอาปัญหามันก็ยังเกิดอยู่ความเพลิดเพลินความยินดีความยึดติดมันก็ยังเกิดอยู่จาทํายังไงต่อจะทำยังไงเขาบอกให้พิจารณาเห็นโทษ พิจารณาตอไปมาจักการกับความคิดนั้นให้พิจารณาเห็นโทษว่าเออไอความคิดชนิดเนี้มาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับขุยไผ่ที่เกิดขึ้นกับกอไผ่มันจะทําลายต้นไผ่โดยส่วนเดียวหรือสนิมที่เกิดในเหล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันไม่จะมาบ่มรงเหล็กให้โตขึ้นแข็งแรงขึ้นหรอกเกิดขึ้นมาเพื่อจะกัดกร่อนให้เหล็กนั้นเนี่ยหายไปทําให้เหล็กนั้นผุแล้วก็กร่อนหมดหมดสภาพความปเป็นเหล็กไป เช่นใดก็ว่าบาปอกุศลธรรมมันลามวกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราเนี่ยมันไม่ไปทําลายคนอื่นเลยมันทําลายเราเองเนี่ยก็พยายามเห็นโทษต่อสิ่งนั้นทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นโทษต่อสิ่งนั้นแล้วมันก็ยังไม่หายทํำยังไงเขาบอใช้มาตรการรุนแรงเลยพระเจ้าว่างเนี่ยมาตรการรุนแรงเรื่องแปลกนะหนึ่งกดกัดฟันแน่นแนกัดฟันแน่นแก็ใช้ลิ้นดุนเพดานแรงแรงดุนงอลิ้นขึ้นไปก็ดันเพดานเข้าไปดันให้มัน เต็มที่แลวนะฮะหายทำอย่างนี้หายทุกค น, นเลยไอ้กดฟันด้วยฟันเนี่ยแล้วก็ใช้เพดานใช้ลิ้นเนี่ยใช้เพดานเนี่ยงอลิ้นเข้าไปก็ดันนี่เพดานแรงๆมันจะอื้ อ, อบนแล้วกเนเข้าไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องที่บ่าโอโซนเกิดแน่ น, นแล้วท่านก็สอนวิธีการละาบ่าโอโซนก็นไว้อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปถึงนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าก็ทำที่ควรมานสิการที่ปุตุชนไม่ได้มานสิการอยู่เป็นเชไหนเมื่อปุตุชนมานสิการ์ทำเหล่าใดอยู่กรมมาสวะภะวาสาวะอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นขอไปนี่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสิ้นไปทำเหล่านี้ควรมานสิการซึ่งเขาไม่มานสิการอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ย่ำเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ปุถุชนนั้นพอมนุษยการทำที่ไม่ควรมนุษการเพราะไม่ได้มนุษย์มนุการทำที่ควรมนุษการก็คือปุถุชนก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ได้สังเกตนะว่าในขณะที่เราคิดถึงสิ่งใดถ้าหากว่าคิดถึงสิ่งนั้นแล้วเนี่ยกามาสวะอาวิชชาสาวะเออภวาสวะทิฐาไออวิชชาสวะเนี่ยที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญก็อย่ามนุษการสิ่งนั้น แต่ถ้ า, ามนาสิการสิ่งใดแล้วเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมกุศลธรรมทีท่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลธรรมที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญก็มนานสิการกแต่ปุถุชนเนี่ยมนาสิการไม่ค่อยเป็นพอมนาสิการไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะเขาตรัสไว้ในหลายสูตรนะเกี่ยวในเรื่องของปุถุชนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ย ไม่ได้สดับไม่ได้พบพระริยาไม่ได้ฉลาดในธรรมของพระริยาเป็นต้นก็เห็นอะไรเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณในความเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตาว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณบ้างเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอัตตาบ้างแล้วก็เห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนบ้างตัวอย่างยัง ทีนี้เพราะความแปลปวนหรือความแปลปวนเป็นอย่างอื่นของรูปเบรณาสัญญาสังขารวิญญาณเขาย่อมมีความรู้สึกปลุนแปลไปตามความแปลปวนนั้นเออเป็นอย่างนี้นะพอไปยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของของเรานั่นเป็นอัตตาของเราเป็นต้นเนี่ยพอรูปเบรนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลปวนก็ทําใจไม่ได้นกลุ่มนี้ทําใจไม่ได้ บางคน่ไปเห็นคนป่วยๆ ห, หนักๆเข้ากลับมาเป็นญาติมิตรเป็นคนรู้จักเป็นต้นคือตอนเองก็แปรปวนเอตอตนเองก็ทําใจไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคนอื่นไปเห็นก็กลับมาก็น้ําหูน้ําตาไหลกันอบอกก็ยอมรับไม่ได้บอกยอบเขาบอกเขายอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับไม่ได้จะให้ทํำยังไงทําไงดี ยอมรับเขาจะพูดคําว่ายอมรับไม่ได้เขาเห็นสภาพแล้วยอมรับไม่ได้แล้วจะทํำยังไงเขาย่อมมีความรู้สึกป่วนแปลไปตามความแปลปวนนั้นตามความแปลปวนของอะไรของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณรูปสภาพของรูปรูปประคัมก็แปลปวนไอเวทนาก็แต่ก่อนเขาสุขเวทนาเกิดกับเขาปัจจุบันก็ทุกเวทนาใช่ไหมไอสัญญาก็ตจําอะไรต่างไม่ได้สังขารก็ปรุงแต่งเพื่อเจอเป็นวิญ ญ, ญาณ มีจับคูวิญญาณเป็นต้นก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแล้วหูตาก็มองอะไรก็ไม่ค่อยชัดหูเป็นต้นก็ฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดเป็นตน้นเลยนี่หนึ่งก็เนี่ยเขาเห็นเขาเห็นสภาพของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลปวนเนี่ยใจเขาเป็นยังไงเขาก็มีความรู้สึกปวนแปลใจก็ปวนแปลก็เหมือนเราใช่ไหมทุกวันนี้เนะใจเราก็ปวนแปลเนะยวนเวลามองถึงตัวเองคิดถึงตนเองอะไรก็ปวนแปลมันไม่เหมือนก่อน ใจมันปวนแปรทุกทีใช่ไหมคือคือไม่ค่อยสบายใจดูแล้วไม่ค่อยน่าไม่น่าภูมิใจเหมือนเก่าก่อนดูแล้วไม่ค่อยน่าภูมิใจอันนี้ปวนใจมันปวนแปรแล้วก็สะดุง้งแล้วก็เกิดขึ้นความเกิดขึ้นในอกุศลธรรมอันเกิดแต่ความปวนแปรไปตามความแปรปวนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาในขณะนั้นที่ใจเขาก็เริ่มเป็นทุกข์เลย ได้หลายคนเป็นทุกข์นะไม่ใช่ได้หลายคนนะแม้แต่ผู้ผู้ผู้แสดงทำเองเองเวลาคิดถึงตนเองอต้องรีบเตรียมแล้วไม่ไหวแล้วอะไเนี้ยก็เริ่มเริ่มจะจัดแจงจัดการจัดแจงอะไรต่างๆ่าเนี้ยที่ต้องการบอกโอไม่นานแล้วไม่นานเลยเพราะมันเห็นความแปลบวนค่อนข้างมากของของสภาพของขันก็ไม่ต้องอะไรแค่ว่า เอาดูแค่สภาพของความแข็งแรงของของรูปกายในยในด้านจิตใจก็เหมือนกันเออความตั้งใจในการที่จะเจริญงอกงามในกุศลธรรมเป็นต้นเหล่าเนี้ยถามว่าความตั้งใจพยายามให้มันมีมากขึ้นก็จริงอยู่แต่สภาพร่างกายมันเป็นไปไม่ได้ตามความปรารถนาอันนี้ก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มหนักใจแล้วใช่ไหม เริ่หนักใจสำหรับบุคคลที่มีร่างกายที่มันแปรปวนเนี่ยใจมันแปรปวนตามไปแล้วแต่นี้โอ้โหแต่ก่อนอาจจะโอ้โหสามารถศึกษาคําสอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประพฤติปฏิบัติได้ดีขึ้นเล็งต่างมารยะหลังโอ้โหถูกถูกสิ่งเหล่านี้นั่นก็้าไปสมมติเราจะพักผ่อนให้น้อยจะไม่ให้น้อยมากๆเอาอะไรแต่นี้ยเกิดสภาพความดันมีปัญหาอะไรแต่นี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่เนี่ก็เรียกว่า ย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาเพราะจิตถูกอะไรครอบงำถูกความหวากหวัน่นขับแค้นความห่วงใ ย, ยความสะดุง้งและความยึดมั่นนั่นเองครอบงาเนอะเพราะยึดมั่นยังไงยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราอะไรต่างๆเนี่ยเอยึดมั่นอย่างนี้เบเสร็จแล้วตอเ น, นี้ไปไม่เป็นแล้วตอนนี้เช่นว่ามันก็จะเกิดความเป็นทุกข์ใช่ไหมนี่คือกลุ่มคนที่ไม่ได้สดับกลุ่มบุคคลส่วนอริยบุคคลผู้ได้สดับเนี่ยก็เห็นอะไร เห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นอัตตาแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นของท่านย่อมแปลปวนเป็นอย่างอื่นได้เมื่อมีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านย่อมไม่มีความรู้สึกปวนแปลไปตามความแปลปวนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉะนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยท่านมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและท่านเล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหม เห็นทีนี้ท่านเห็นโดยความเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตาท่านเห็นโดยความเป็นอนัตตาแล้วท่านเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยพอท่านเห็นตามความเป็นจริงนี่นะพอท่านได้สดับพระธรรมคาสอนมาต่อเนื่องและคําสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจของท่านอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนคําว่าอยู่ตลอดเวลาอยู่ยังไงรู้ไหมเอามาคิดอย่างนี้นะว่าบางทีเนี่ย ถ้าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่ในช่วงเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นเนี่ยางทีตอนเช้าอยู่ตอนวันไม่อยู่ตอนเย็นไม่อยู่หรือเช้ากลางวันอยู่ตอนเย็นไม่อยู่หรือเช้าก็อยู่กลางวันก็อยู่เป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้อยู่ตลอดเวลาหรือถ้าหาไปอยู่ในลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วกินอาหารพิจารณาเอออิริยาบถ เช่นว่าไปเข้าใจคําสอนของพุทธเจ้าหรือว่ามีคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แรงต่างก็แล้วแต่ในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็พิจารณาว่าเออเนี่ยถ้าเราเข้าใจผิดในคําสอนของพุทธเจ้าเนียคนเราในเวลาจะตายเนี่ยมันจะตายในอี่ยาบททั้งสี่บางคนก็นอนตายกําลังเดินก็ตายกําลังนั่งก็ตายกําลังยืนก็ตายใช่ไหมมันก็อยู่เนี่ยไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนในสี่ยาบทเนี่ย เอถ้าใจเราขาดแต่ว่าถ้าตายในเอียบวดใดเอียบวหนึ่งแต่ตอนนั้นนะคำสอนของพระเจ้าไม่อยู่ในใจเราเออเราจะมีคติอย่างไรเนาะเนี่ยใช่ไหมเขาก็เลยอยากกันนั้นเลยเอาคําสอนมาอยู่ในทุกๆในเอียบวต่างๆยืนก็มีคําสอนนั่งก็มีคําสอนเดินก็มีคําสอนให้เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ยังจ่ายด้วยประมาท อ้ออีกกลุมหนึ่งก็คือกินอาหารอ <Okay. S 1> อาหารเข้าไปเนี่ยในขณะที่กินกินเข้าไปเออเราอาจต้องมัวแตเคี่ยวอาหารเนี่ยยังไม่ได้ตึกถึงคําสอนของพทะเจ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราอาจจะใจขาดตายไปในขณะที่กินอาหารซึ่งก็มีนะคนที่กินอาหารในขณะที่เยังไม่ทันลงสู่ท้องเลยตายไปก็มีเยอะแยะหมดในโลกแบบนี้ก็พิจารณาอย่ากกนะันนั้นหรือเร า, เราอยากให้ชีวิตผ่านไปโดยการที่ไม่ได้ใไข้ควนคําสอนของพระเจ้าหรือเข้าใจคําสอนขพระเจ้าเลยก็ใไข่ควรไปกกินนะกินเข้าไป ก็ยังใจว่าประมาทอยู่เนะี่ยเพราะเอาแค่ช่วงกินอาหาทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกเอ้ความตายมันอยู่ตรงนี้ซื้อเข้าไปไม่ออกมาก็ชักอย่างยๆๆแล้วเนี้ยหายใจฟื้เอาหายใจเข้าไม่เข้าไปก็เอามีปัญหาแล้วเอ้ถ้าเรามาใจขาดตายในขณะที่ว่าเราเราหายใจเข้าแล้วออกอย่างนั้นเลยก็ให้เป็นไปกับคําสอนของพระเจ้าทั่วทุกลมหายใจเข้าออกเขาบอกถ้าเข้าใจคําสอนอย่างนี้นะ เขาบอกโอเจริญรุ่งเหลือ ง, ลงและมีโอกาสที่จะแทงตลอดคําสอนดนะังฉันต้องบอกว่าเพราะความสะดุ้งเนี่ยนะความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอรรถรธรรมมันเกิดจากความแปรปวนไปตามความแปรปวนของรูปเวทนาสัญญาฉังขานวิญญาณเนี่ยย่อมไม่ตั้งครอบงาจิตของท่านเหล่านั้นคือท่านที่เป็นพระอริยะบุคคลก็ดีท่านผู้ได้สดับพระธรรมคาสอนเนี่ยเพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดวันและก็ไม่คับแค้นไม่ห่วงใยไม่ ไม่สะดุง้งกลัวแล้วก็ไม่มีความยึดมั่นถึงมันทีนี้ในด้านของการปฏิบัติเพื่อพ้นจากความสะดุง้งความยึดมัน่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยกคายโดยการที่พิจารณาอยู่ว่าความรู้สึกไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอกสงบอยู่ภายในมีความสะดุง้งกลัวไม่ยึดมัน่นเมื่อมีความรู้สึกไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอกสงบอยู่ภายในไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมัน่น ความเกิดแห่งชาติชารามรณะความทุกข์และสมุทัยเหตุของทุกข์ย่อมไม่เกิดอีกต่อไปดังั้นเนี่เออก็จะไม่เกิดอีกต่อไปตรงนี้ก็แปลว่าเพราะมนุิการทีนี้อยู่โดยแยบคายเมื่อมนสิยการอยู่โดยแยบคายแล้วเนี่ยสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีและปะตปาปรามาตย่อมเป็นอันเทอละได้แปลงก็แปลว่าอายะสาวกเนี่ย ถ้าไปพิจารณาวัานนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเมื่อพิจารณามาณสิการโดยแยกคายอยู่อย่างนี้ก็จะละสังโยชน์สามได้คือสักะยะทิฏฐิก็คือความเห็นขันห้ารูปเวรนาสัญญาสงขรัญญาดูเว็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาอของเราเป็นต้นเนี่ยแล้วก็วิจิกิกจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็ศีละพตาปรามาสความยึด ถือในศิลและพจน์ก็คือความยึดติดในรัฐิแล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่ผิดต่างๆก็นําไปสู่ความซึ่งซึ่งไม่นําไปสู่ความดับทุกข์ก็จะละความเห็นประเภทนี้ได้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการเห็นตามความเป็นจริงนะอันนี้ข้อแรกแค่นั้นนะที่ละได้โดยการเห็นเหตุการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอาสวะที่ละได้โดยการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็เห็นอะไร อาสะวะทีิละได้โดยการเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้ก็คือว่าให้ระมัดระวังอาสะวะทุกอย่างเป็นเหตุให้อาสะวะเหล่านี้ที่ภิกษุระวังปกปิดแล้วย่อมถึงความสิ้นไปคือดับไปด้วยไม่ให้เกิดขึ้นอีกละได้อาสะวะนี่นะเป็นสิ่งหมักดองทั้งหลายเนี่ยที่นี้ว่า อาสวะทั้งหลายของเราที่เป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นเทพเป็นคนทันที่ห่อเหินได้เป็นเหตุให้เราพึงไปสู่ความเป็นยักษ์ความเป็นมนุษย์พึงละได้ไปสู่ความเป็นอันตรชักําเนิดความสิ้นไปแล้วอันเราขจัดแล้วทําให้พินาศไปแล้วเป็นต้นคือในบรรดาอาสวะทั้งหลายมีการมาสวะผวาสวะอวิชชาสวะเป็นต้นเนี่ยถ้ายังมีอยู่เนี่ยก็จะเป็นเหตุให้การไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้นะ หร่ตลอดถึงว่าไปเป็นพวกเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเหล่านี้อาสวะต่างๆเหล่านี้ท่าละไม่ได้ก็อาสวะก็จะนําความทุกข์มาสู่อย่างนี้การเข้าไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าการจองจําบุปผะทวะนาหน้ประการที่เป็นเหตุให้สัตว์เสวยทุกข์ในอบายก็ชื่อว่าอาสวะเราจะถาคตจากแสดงธรรมเพื่อระมัดระวังอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมและเพื่อบําบัดอาสวะอันเป็นไปในสัมปรายภพ ก็ในที่ใดอาสวะเหล่านั้นมาโดยประการใดในที่นั้นพึงทราบโดยประการนั้นก็เพราะวินัยอาสวะเหล่านั้นมีอยู่สองอย่างเราตถาคตแสดงธรรมเพื่อป้องกันอาสวะอันเป็นไปนิทิฏฐธรรมอย่างหนึ่งเพื่อบำบัดอาสวะอันเป็นไปในสัมปรายภพดังนี้ก็คือการมาสวะภ า, า, าวาสวะอวิชาสวะเนี่ยนะ ที่พระ อ, องค์แสดงเขาไว้เนี่ยบอกอาสวะที่เป็นไปในปัจจุบันภพนี้ก็มีเนอะทำไมพิจารณานี่นะทำไมพิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยอาสวะต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนี่ในคําว่าถ้าไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้เห็นอะไรเห็นว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยก็จกละอาสวะที่ เกิดขึ้นเพราะการเห็นเป็นต้นเดิมเรื่อ น, น, นี้เป็นอย่างนี้ล่ได้โดยการเห็นก็คือว่าดังที่ได้กล่าวบอกว่าปุถุชนเนี่ยนะไม่มนัสสิกานอยู่โดยสรุปตรงนี้ก็คือท่านตรัสเกี่ยวในเรื่องของให้เห็นคุณของโยนิโสมนัสสิการและอโยนิโสมนัสสิการถ้าโยนิโสมนัสสิการเกิดก็ละอาสวะได้ โดยการพิจารณาโดยแยกคายเนี่ยแต่หลักเนี่ยหลักของโยนิโสมนัิการจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยปราโตโคสะคือเสียงของบุคคลอื่นการประกาศของผู้อื่นคือการได้สดับการได้พบภริยาฉลาดในธรรมของมริยะได้รับการแนะนําในธรรมของภริยะได้พบสัตวบุรุษแล้วก็ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษก็ที่ได้กล่าวเขาไว้นั่นเองอันนี้ปราโตโคสะปัจจัย นั่นในปรโตโตทโคสาเนี่ยเป็นปัจจัยไหมบุพเ็นเป็นปัจจัยเพราะว่าลักษณะของปุถุชนเนี่ยปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่ฉลาดในธรรมของพริยญาไม่ได้รับการแนะนําของพ่ายญาเป็นต้นเหล่านี้ก็รับรู้สิ่งต่างๆพอรับรู้สิ่งต่างๆเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิดราคาโทสะโมหะ ก็จะเกิดความยินดีเพื่อดเพลในสิ่งเหล่านั้นเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปกําหนดรู้หรือไม่ได้รู้เห็นดังว่าเป็นจริงอันนี้เป็นโทษของการไม่ได้สดับนี่นะเพราะเขาเห็นสิ่งใดขาดหนึ่งไม่ได้สดับใช่ไหมเพราะเพราะไม่มีปรตโตโคสะก็คือไม่ได้ไม่ได้ปัจจัยคือการได้ฟังธรรมจากผู้พุทธเจ้าสาวกของพุทเจ้าไม่ได้ศึกษามากฟังมากพอไม่มีปรตโตโคสะเนยโยนิสมนัสการก็เกิดไม่ได้ เมื่อโยนนิสโมสมนัสการเกิดไม่ได้แต่อะไรตามมากุศลศีลศีลเกิดไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาเป็นต้นก็เกิดไม่ได้ให้สังเกตุนัสีนอวิปปติสารปาโมดปีติปัสสติแล้วความสุขเนี่ยนะสมาธิแล้วก็ยถาภูตะานทัศนะเป็นต้นนั้นไม่เกิดเพราะว่าขาดประโตโศกคือปัจจัยคือเสียงอย่บุคคลอื่นเป็นต้น ทีนี้พอโย น, นิโสมนัสิการไม่เกิดแตเนี้ยบาปอกุศลกา ม, มาสวะบ้างภาวาสวะบ้างอาวิชชาสวะบ้างก็เกิดอันนี้เขาก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเขาได้ปารโตโคสปะปัจใจนะปัจจัยจากสิ่งอื่นแล้วทําให้เกิดโย น, นิโสมนสิการทีนี้พอโย น, นิโสมนัสิการเกิดขึ้นเหตุผลก็คืออะไรก็เหมือนที่หนึ่งผู้ที่ศึกษาปรารถนาธรรมที่เป็นแดงเกษปลอดปลอด ป่าศจากความผูกพันในสังสาระเมื่อรับรู้สิ่งต่างๆแม้มีความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่ามีสภาพเป็นอนิจจลักษณะทุกคลักษณะอนัตตลักษณะมีความแปรปวนไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ยังอาจยินดีเพลิดเพลินในบางส่วนในบางค่าวเพราะยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะอย่างสมบูรณ์เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาควรกําหนดรู้ คือต้องเพียนกำหนดรู้ซึ่งสภาวะธรรมดำความเป็นจริงเนี่ยคือคือถึงแม้เขาจะเป็นพระเสขานนี่นะเขาได้ศึกษาแต่เขายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยเขามีความเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าปรารถนาทําเป็นกเกษมปลอดโปร่งจากสังสารวัฏวัดเป็นต้อนอะไรเนี้ยเมื่อเขารับรู้ความต่างๆเขามีความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่ามีสภาพเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเนี่ย แต่แต่เขาก็ยังมีความยินดีอยู่เนี่ยบางกลุ่มนเนี่ยนะเออถ้าตรงนี้ทําให้เรารพาิจารณาอย่างเราเท่านท่านทั้งหลายที่ไม่ใ่พระริยานเนี่ยนพอเราฟังคําสอนเออเราเข้าใจทีนี้พอเข้าใจคําสอนเบ็ดเสร็จนี่นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความยินดีความเพลิดเพลินยังเกิดเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งไม่ได้กําหนดรู้เป็นต้นแล้วนี่อันนี้ก็เป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งเนี่ย ที่จะเป็นเหตุถึงการที่ว่ายังละไม่ได้ประการต่อมาก็คือว่าอาสวะที่ละได้โดยการสังวรการที่สองเนี่ยนะอาสวะที่ละได้โดยการสังวรโอไม่เออ ย, ย, ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกข้อหนึ่งอันแรกนี่ไหมปุตตชนเน่ยนั้นมานสิการโดยไม่แยกคายว่าเราได้มีแล้วในอดีตการอันยืดยาวหนอหรือเราไม่ได้มีแล้วในอดีตการอันยืดยาวนาน ตรงนี้เป็นต้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวอ่านนี้ให้จบดีกว่าอธิบายตรงนี้หลายๆคนอธิบายทําความเข้าใจยากหนึ่งในดีตการอันยาวนานเราได้มีอะไรหนอในดีตการอันยาว อ, ยอันยืดยาวนานเราไม่ได้ เป็นอย่างไรหนาะในเดตการอันยืดยาวนานเราได้เป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนาะในนาคตการอันยืดยาวนานเราจะเป็นหรือหนาะในนาคตการอันยืดยาวนานเราจะไม่เป็นในนาคตการอันยืดยาวนานเราจะเป็นอะไรหนาในอนาคตการอันยืดยาวนานเราจะเป็นอย่างไรหนาในนาคตการอันยืดยาวนานเราจะเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอหรือว่าปารบการปัจจุบันอันยืดยาวนานคือในบทเนี้ ก็สงสัยบอกว่าเรามีอยู่หรือหรือเราไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอจจะไปไหนเป็นต้นอันนี้บรรดาทิฏฐิเหล่านี้นะในบรรดาทิฏฐิเหล่านี้เพราะว่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะในบรรดามิจฉาทิฏฐิเหล่า น, น, น, าานี้เกี่ยวกับการที่บอกว่าไม่รู้เหตุปัจจัย เมื่อไม่รู้เหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะสงสัยในคําสอนเขาเรียกว่าปัจจยาปริหายานก็นเลคือไม่มีญาณเหล่านี้เกิดขึ้นคือตรงนี้ต้องพูดถึงในเรื่องของ อ, อวิชานี่นะในบรรดาอวิชาเนี่ยา อ, าอย่างยกตัวอย่างเช่นความสงสัยเนี่ยอธิบายความสงสัยก่อนว่าหนึ่งสงสัยในอดีตในอนาคตแล้วก็สงสัยในปัจจุบันเนี่ย ผู้ที่เข้าใจหรือย่ำรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปในการทั้งสา ม, มคือในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปการเป็นไปของนามและลูกเป็นไปของการเป็นไปของรูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณเท่านั้นแต่คนที่ไม่เข้าใจไปสาคัญว่ามีบุคคลมีเรามีของเรามีบุรุษมีสติแล้วก็ล่วงพ้นความสงสัย แต่ไม่ล่วงค้นความสงสัยทีนี้ความสงสัยท่านแบ่งเป็นฝ่ายอดีตห้าฝ่ายอนาคตห้าฝ่ายปัจจุบันหกรวมเป็นสิบหกอย่างนี่นะสงสัยในอดีตห้าอย่างสงสัยในอนาคตห้าอย่างแต่สงสัยในปัจจุบันหกอย่างรวมเป็นสิบหกอย่างนี่ความสงสัยในอดีตหาได้แก่ว่าเราเกิดมา ก, ก่อนในอดีตการหรือเห็นสงสัยข้อแรกนี่นะหมายความบอกว่า เราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องในภพก่อนจึงมาถึงภพนี้หรือไม่บาลีก็ใช้คําว่าอโหสิงน an ุโขอหังอตีตมัฏฐานังนี่ข้อแรกนี่เนี่ยบอกเอ e เราเกิดมาก่อนในอะดีตการหรือหมายว่าเอ๊ re, เราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องในภพก่อนไหมจนมาถึงภพนี้ไปเข้าใจว่าเออในภพก่อนๆมาเนี่ยเราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องไหมเป็นสาคัญว่ามีเราเกิดมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาอย่างไงก็ยังเป็นเราเราเราเรามันยึดมาอย่าง้ไหมมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็คืออัตตาคือตัวเรามันยังคงที่ดั้งเดิมมาอย่างนงี้อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างอย่างนี้เป็นต้นลักษณะนี้คือความสงสัยในอดีตประการแรกประการที่สองก็คือว่าเราไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีตการหรือก็หมายความบอกว่าเออเราไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วเพิ่งเริ่มมาเกิดในภพนี้หรือไม่ก็แปลว่าเออสงสัยอีกแล้ว แสดงพบก่อนๆที่ผ่านมาเราไม่เกิดมาก่อนไม่มีมัเพิ่งจะมาอุบัติเกิดขึ้นมาในพบนี้เท่านั้นแหละอันนี้มาจากคาวันณนุโขอโหสิงอตีธรรมทานก็แปลว่าเราไม่เคยเกิดมาก่อนในดีตกานแต่เพิ่งมาเกิดในพบนี้หรือไม่ยังไม่แน่ใจด้วยนะสงสัยออหรือไม่นี่ประการที่สอง ประการต่อมาคือเราเคยเป็นอะไรในดิตการหรืออันนีชัดก็คือว่าเออเราเคยเกิดเป็นกษัตริย์เคยเป็นพราหม์เคยเป็นเศรษฐียาจกมนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือไม่ไงสงสัยกิงนุโขอโหสิงตีธรรมทานเราเคยเป็นอะไรในดิตการหรือสงสัยบอกจะเคยเกิดเป็นพรามไหมเป็นกษัตริย์ไหมเป็นเศรษฐีไหมเป็นยาจกไหม เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจานเคยเกิดไหมนี่นี่ต่างคอสงสัยประการต่อมาคือว่าเราได้เป็นอย่างไรในอดีตการหรือหมายความว่าได้เป็นอย่างไรในที่นั้นหมายความว่าเคยมีรูปร่างสูปฐานสูงหรือต่ําหรือดําหรือขาวใช่ไหมอีกหนายหนึ่งก็คือเราเกิดในอดีตเพราะเหตุปัจจัยใดหมายความว่าใครที่เนรมิตเรามา พระเจ้าพระอินทร์พระพรหมหรือเทวดาหรือเราเคยเกิดตามธรรมชาติใช่เข้าใจตรว่านาถังนุโขอโ ห, อโหสิงอตีิธรรมทานนะั่งอันนี้แปลว่าเราได้เคยเป็นอย่างไรในอดีตแปลว่ารูปร่างสันฐานเราในอดีตเป็นยังไงเนี่ยสวยหรือไม่สวยสูงหรือต่ำดำหรือขาวใช่ไหมนี่สงสัยประการต่อมาก็คือ่ เราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในดิตการมาจากคาบอกว่ากิงหุตวากิงอโหสิงนุขโขอตีตัมมทานะเราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในดิตการหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรมาบ้างในพบกกอนๆเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรมาบ้างในพบก่อนๆอันนี้ขึ้นห้าประการนี้เป็นความสงสัยฝ่ายอดีตหรพอของปุโรชนเป็นแบบเนี้ยปุโรชนที่ไม่สดับจะสงสัยแบบเนี้ยเคยสงสัยมั้ย เอยนี่ดวงอนาคตบ้างแต่เนี้ยทีนี้ในอนาคตเนะี่ฝ่ายอนาคตมีอยู่ห้าอย่างเราจะเกิดในอนาคตหรือหมายความว่าอัตราของเราจะคงอยู่ไม่สูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่อันนี้สงสัยอัตรานะตายปุ๊บเนี่ยมันไม่หมดใช่ไหมอัตราร่องรอยอ่ะไปมีไปเกิดอยู่ในอนาคตหรือเปล่าสงสัย อย่าลืมนะคนคิดอย่างนี้เยอะคนที่ทําบุญกันเนี่ยก็กลัวตรงเนี้ยเพราะเป็กสําคัญว่าตายแล้วเนี่ยอัตราของเรานี่แหละไปไปเกิดไปสวยสุขและทุกข์เพราะการกระทําในปัจจุบันในภพนี้เข้าใจมันเหมือนถูกนะแต่มันไม่ถูก ท, ท, ทั้งทั้งที่มันไปแบบไม่เที่ยงเป็นทุกข์อานาจามันไปอย่างการสืบต่อไม่เข้าใจแบบไปแบบการสืบต่อเหมือนกับเมล็ดมะม่วงเม็ดเนี่ย เอาไปปลูกปุ๊บเลยที่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันออกมาอีกเม็ดหนึ่งแล้วไปปลูกใหม่ไม่ใช่เม็ดเดียวกับที่ทิ่มไปอย่างนี้ไปต่อหรือที่กินมันก็คนละเม็ดกันกับที่ทิ่มลงดินเนี่ยป็นคละเม็ดกันเลยนะแต่มันสืบต่อใช่ไหมมันสืบต่อมาจากเม็ดนั้นนี่ปฏิสนธิจิตที่เราเราเกิดแล้วจุตติจิตที่ดับเนี่ยพอดับไปเบรศเสร็จเวลาเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่อันเดิมไปแต่มันไปแบบสืบต่อก็เหมือนเซลล์ในร่างกายสมัยเป็นเด็กมันตายไปหมดแล้ว มันก็สืบต่อมาเป็นหนุ่มหนุ่มก็มาเป็นแ ก, แก่แก่ก็จะตายกันเนี่ยนะมันสืบต่อกันทุกวันเนี่ยทุกวินาทีมันไม่ใช่อันเดิมเนี่ยเซลล์ในร่างกายวิถีจิตก็ ก, ก็ก็จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นในความเข้าใจของคนในปัจจุบันนี้ก็เข้าใจว่าอัตราของเราคงอยู่ไม่สูญสลายหลังจากมีชีวิตประการต่อมาเราจัไปเกิดในอนาคตจากการนี้หมายว่า อ, อ, อัตราของเราจะ จะสูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่ก็คือเราจะไม่เกิดในอนาคตใช่ไหมแปลว่าตายปุ๊บนี่มันหายไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะนี่สงสัยเลยนะว่ามำไมจะคําว่านานุขโขภ ว, วิสามีอาหางอนาคตามะทานังเนี่ยในกลุ่มเนี่ยนักวิชาการคิดกันแล้วคิดกันอีกว่าเออบางกลุ่มก็สรุปมาหมดตายแล้วเรียบร้อยจะทําอะไรเรียบทํามในปัจจุบัน ถ้าไม่อยากหรือถ้าอย า, risque, อยากจะมีช Club, มีวิตอยู <c oughs> rainbow, ource, climate, ่ก no ็แค่เซลล์ everyday, เลยตนี้ม <c oughs> <Wol ves. c oughs> <that> ีลูกมีหลานเยอะๆก็ที่ว่าเดตัวเองเนี่ยสืบเชื่อสายของเราไม่ได้เราจักเป็นอะไรในอนาคตการหรือหมายความว่าจะเป็นกษัตริย์จะไปเป็นพรามเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เลียงชางเป็นต้นกิงนุโขภิสามีอนาคตกมาทานังเราจะเป็นอะไรในอนาคต ประการต่อมาคือเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตกันก็สันฐานนั่นเองสูงต่ำดำขาวหรือจะเป็นเ อ, อจะมีผู้เนรามิตรเราหรือเราจะเกิดเองตามธรรมชาติมีไหมบอกจะเกิดเองตามธรรมชาติกระถังนุขโขภิสามีอานาคตามะทานังประการต่อมาก็คือเรา จะเป็นไปจะเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรในอนาคตกันกิงหุตวากิงพวิษฐามีนุโคอะังอนาคตามะทา น, นะ<ส>หมายความว่าเออถ้าไปเกิดเป็นอะไรแล้วแล้วมันจะต่อไปมันจะเป็นอะไรอีกไม่ใช่คิดแค่ชาติเดียวคิดไปเรื่อยๆ <c oughs> คิดต่อไปเรื่อยๆนั่งวาดไปว่าจะเป็นอะไรอีกต่อไป <c oughs> อันนั้นเป็นความสงสัยในอนาคตทีนี้ความสงสัยในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ เรามีอยู่หรือเนี่ยอัตตาหรือวิญญาณมีอยู่ในร่างกายนี่หรือไม่นี่ก็สงสยัยอัตตานี่นะก็อย่างยกตัวอย like, ่างเช่นเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยมันคงทนมันคอยจัดแจงมันอยู่กับความคิดความอ่านการที่จะให้เราพูดคิดต่างๆาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอัตตาเหล่านี้มันมีอยู่ในในร่างกายใช่ไหมเอามีหรือไม่มีจิตมีอยู่ในร่างกายอยู่ไหมอยู่ตลอดเวลาไหม มันไม่มีอย่างนั้นนะดังนั้นไปเอาแมทเขาไปทดลอง ม, มาแล้วค่อยๆเขียนดูทีละชิ้นละชิ้นไปมาหาไม่ได้หรอกมันไม่ได้มีอยู่อย่างคนที่เขาเข้าใจผิดกันเยอะไหมวิญญาณเนี่ยเช่นจักหูวิญญาณเนี่ยวิญญาณอาศัยต่างๆเนี่ยพอหลับตาพุ่มมันก็ดับแล้วหายไปไหนอ่ะอาจจะยินเสียงมาเกิดทั้งหูมันเร็วมากเขาใจะว่าแล้วการเกิดของเขามันไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐาน มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นตัวตนๆลอยไปลอยมาไม่ใช่อย่างนั้นมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นใช่ไหมหนึ่งหนึ่งไม่มีรูปร่างสองไม่มีสันฐานไม่มีรูปร่างก็คือไม่มีสันฐานอยู่แล้วแต่เขามีแบบเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเข็นได้ไหมไม่ได้ฟังเสียงได้ไหมไม่ได้ดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสได้ไหมไม่ได้อรู้ยังไง รู้ได้ด้วยสัพพัญญติยานมีจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วกระแสจิตเหล่านี้ที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยการพูดการทําการคิดการอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อได้เหตุปัจจัยพอเนีถ้าเหตุปัจจัยไม่พอเขาก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนทําไม่มีการยืนการเดินการนั่งการนอนคู้เหยียดเป็นต้นได้แต่ไม่ใช่เป็นอัตตาหรือวิญญาณอยู่ในร่างกาย ประการต่อมาคือเราไม่มีอยู่หรือหมายคำว่าอัตตาหรือวิญญาณไม่มีอยู่ในร่างกายหรือเอ๊ะทาอย่างนั้นไม่มีใช่ไหมไม่ใช่มันมีแต่มีอยู่อย่างไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมีอยู่แบบไม่เที่ยมมีอยู่โดยเป็นทุกมีอยู่โดยความเป็นอนัตตามีแบบนี้นะแล้วก็เราเป็นเป็นอะไรอยู่หรือนหมายเราเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรอยู่หรือตรงนี้เขาเขาบอกว่า เขาก็ยกตัวอย่างไะ เ, เคยสงสัยตัวเอง ม, มั้ยมีมีคนมีอยคนคนหนึ่งตอนนี้เองยังเห็นข้าเป็นแม่อยู่หรือเปล่าสงสัยตัวเองนี่ใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่ ส, สงสัยเคยเป็นไหมเนี่ยสงสัยตนเองคือก็สงสัยถ้าสมผานเจ้าวัดก็บอวัดนี้ใครเป็นเจ้าวัดกันเนี่ยนี่สงสัยเล ย, ยนะี่นี่สมมุติแปเราเป็นกษัตริย์หรือ เป็นอะไรอยู่เห็นไหมบางทีมันแค่จริงๆก็สงสัยเวลาไปมีตําแหน่งหน้าที่อะไรต่างก็ไปสงสยัยเี้อยู่บ้านก็เป็นพ่อไปหาหาพ่อหาแม่ก็เป็นลูกไปโรงเรียนก็เป็นลูกศิษย์ไปสอนหนังสือก็เป็นอาจารย์อ๋ออะไรไปบริษัทก็เป็นคนงานบ้างเป็นหัวหน้าบ้างไปเป็นข้าราชการก็เป็นยศหนึ่งร้อยตีร้อยโทร้อยเอกพันทีพันโทพันเอกก็ว่ากันอยู หน้าเขาหน้าเขาเป็นอะไร <c oughs> มันเยอะแยะงงหมดใช่ไหมถ้าถ้าเรามองเงี้ยจริงๆสงสัยไหมมันมันจะสงสัยเห <c oughs> มือนคนเหมือนเหมือนคนบางคนมีหลายตำแหน่งก็ใครเนี่ยก็พูดไปไปสอนไปสอนเด็กๆเขาบอกว่าถ้าก็อยู่โรงพยาบาลก็เป็นอะไรบอกเป็นผู้อำนวยการ ทีนี้ถ้าเขาอก็อาแล้วถ้าเขามาสอนหนังสือนี่เป็นอะไรเป็นอาจารย์ไปบ้านก็เป็นอะไรเป็นพ่อเลยเนี่ยไปหาพ่อหาแม่ก็เป็นอะไรเป็นลูกก็ถามอ่าถ้าเดินข้ามถนนถูกรถชนตรงเป็นอะไรว่าเป็นผีก็กเหมดเไม่รู้เป็นอะไรเด็กงงหมเลยก็ม่าเป็นเราเป็นอย่างไรอยู่หรือหมายความว่ามีรูปร่างสันฐานอย่างไรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนี่ย เราเกิดในปัจจุบันเพราะเหตุอันใดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรบุคคลนี้มาแต่ไหนอันนี้แปลว่าบุคคล น, นี้มาจากพบไหนจะไปสู่พบไหนหรือเปล่าสงสัยลักษณะอย่างเนี้ยความสงสัยสิบหกอย่างเหล่าเนี้ผู้ยึดมั่นว่ามีบุคคลมีตัวตนคัมภีร์วิสุทธิมาเขาก็บอกว่าความสงสัยสิบหกอย่างซึ่งดําเนินไปโดยในว่าเราเกิดมาก่อนในอดีตการ ก็ยึดมั่นตัว ต, วตวทนที่เป็นที่เป็นอาที่อาสัยความสงสัยดังกล่าวเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่มีความเข้าใจโดยความเป็นเพียงรูปนามเนี่ยเขาจะแยกแยะบุคคลเราเขาบุรุษสตรีเป็นเขาสามารถจะข่มไว้ได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความเข้าใจไม่ ในในคําสอนตรงนี้ก็บอกว่าเหมือนคนบางคนเนี่ยที่ไม่รู้ว่ากระต่ายมันมีเขาหรือไม่ก็ยกตัวอย่างก็สงสัยอยู่ล่างไปไว่ากระต่ายมีเขาหรือไม่มีเขากระต่ายมีรูปร่างอย่างไรแต่เมื่อเขารู้ชัดว่ากระต่ายไม่มีเขาก็จะไม่สงสัยในเรื่องนั้นอีกดังั้นความเข้าใจในรูปนามจะเป็นเหตุผลของกันและกันด้วยวิปัสสนาญาณเนี่ยก็เป็นก็จะสามารถดับความสงสัยขมได้ชั่วขณะ ถ้าผู้ปฏิบัติบรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะขจัดได้โดยเด็ดขาดความสงสัยเหล่านี้ก็จะไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ยังเป็นบุรุชนก็อาศัยฟังคําสอนเจริญวิปัสสนาเป็นต้นก็ข่มได้แต่ถ้าวิปัสสนาเสื่อมความเข้าใจเสื่อมเมื่อไรก็กลับมาสงสัยใหม่ก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้วันนี้ไม่ทันจบก็ศึกษาในสูตรนี้ก็เพียงแต่เท่านี้ก็ต่อไปก็อฝึกปฏิบัติกันต่อ